อาจารย์ครับอรมาศการครับผมเดินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับเมื่อกี้พอดีกําลังพูดถึงผมเห็นที่บอยแชร์มาว่ามีเพจที่ไปเลียลลายล้วใช้รูปพระอาจารย์นะครับก็เลยขออนุญาตบอก่ทุกท่านไปก่อนว่าเป็นเพจปลอมครับแล้วถ้ามีการเลียลลายเกี่ยวข้องอะไรกับชื่อพระอาจารย์ก็ไม่ใช่ทั้งสิ้นนะครับก็เลยแจ้งไปตามต้นรายการครับพอาจารย์ ก็ดีเพราะตอนนี้มิจฉาชีพมีอยู่เยอะเขาก็ต้องหาช่องทางทามากินของเขาไปตามนิสัยของเขาครับผมครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่แล้วครับไม่ทราบเมื่อชาพระอาจารย์แต่ไม่ได้ถามเลยพระอาจารย์ปิญจบาลคนเยอะไหมครับผมเยอะอีกสองครั้งครบสามปีแล้วนะแจ้งอะมากทีบอกประมาณอีกสองรอบอีกสองครั้งก็ ปีละห้าสิบสองสามปีก็ร้อยห้าสิบหกสำหรับบินจบานเมื่อเช้านี้ก็ห้าร้อยยี่สิบห้าคนด้วยกัน<ม>ก็พอสมควรสำหรับวันอาทิตย์แต่ช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะวันหยุดสามวันมีคนหยุดหุดกันเยอะก็เลยมีเวลามาทำบุญสายบานกันเยอะขึ้นเยอะมากหน่อยเมื่อวันนี้ก็สามร้อยกว่าออวันวันอาทิตนี้ขึ้นถึงห้าร้อยกว่า พวยังมีอีกวันพวกนี้ยังวันอยู่อีกวันหนึ่ง oh, แล้วก็วันถัดไปก็เป็นวันพระเองยาวสี <c oughs> ่วันเลยครับอาจารย์คราวนี้ไยเทศสี่วันติดกันเลยตอนตอนบ่ายสองโมงที่ปกติครับผมสาธุน้อมพระราชาทูพระอาจารย์ครับผมนับดูแล้วครับอาจารย์ครั้งที่ร้อยห้าสิบหกเนี่ยจะเป็นวันที่สิบเก้าพฤษภาครับพระอาจารย์ แต่ที่ผมมีโอกาสได้สดนทนาทรรกับพระอาจารย์ครั้งแรกนี่ยี่สบพฤษภาครอ่าก็<ม>ครบสามปีพอดีปีเป๊ะอะไรครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวนะพระเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วไ ม, ไม่ไม่คิดว่าจะนาการนี้จะมีมาถึงถึงสามปีได้คิดว่าอาจจะแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็จบครับ <laughs> ครับผมก็ฟังคำพูดพระอาจารย์บอกเดี๋ยวถ้าใครเบื่อก่อนก็ก็เลิกไปตอนนั้นที่พระอาจารย์พูด ปลดลบไปครับผมก็โผลในใจผมก็ไม่มีอะครับไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ขอโอกาสก็เนี่ยถ้ามีคนมีประโยชน์ก็ทําไปเถิดธรรมะนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกเพราะมีธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยเราดับความทุกข์ได้เพราะนั้นของในโลกนี้ล้วนแต่จะเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นไปมากกว่าดับความทุกข์ลงไป อาจารย์ครับช่วงนี้เห็นข่าวคนโกรธคนทะเลาะกันเยอะครับเลยขอโอกาสพระอาจารย์ขอปัญญาพระอาจารย์ว่าจะฆ่าความโกรธแล้วให้อยู่เป็นสุขได้อย่างไรครับอาจารย์ครับกลับความเมตตาครับผมคือมันก็มีสองวิธีนะสองสามวิธีด้วยกันคือวิธีแรกก็เวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ท่านก็สอนให้เราใช้การใช้ความเมตตาคือให้อภัยกันเวลาใครเขาทําให้เราโกรธทําให้เราเสียหาย ก็ที่เสว่าเป็นการทําบุญให้เขามีโอกาสได้ทําบุญเรียกว่าอภัยทานให้อภัยเข้าไปเราก็จะได้ทําบุญแล้วความโกรธที่มีในใจเรามันก็จะสงบตัวลงความโกรธนี้มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนที่เราโกรธแต่มันเป็นอันตรายกับตัวเราเองคนที่โกรธเนี่ยคนที่ถูกโกรธก็ไม่รูมเรื่องเขนอนหลับสบายไอ้คนที่ถูกไอ้คนที่โกรธเนี่ยมันกินไม่ได้นอนไม่หลับ ด้วยกวารมาคาดพยาบาทคิดแต่จะหาวิธีแก้รางแค้นมันก็เลยเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคือความโกรธที่เราให้อาภัยนี้ไม่ได้ทำเพื่อคนที่เขาทาให้เราโกรธเราทำเพื่อตัวเราทำเพื่อใหใจเราจะได้เย็นลงดับความโกรธด้วยการให้อาภายัยนี่คือหลักของการใช้บทเมตตาพระเจ้าสอนให้ เวลาหุนตุกรรมย่อมไม่นับเวรย่อมไม่นับไม่ย่อมไม่นั บ, บด้วยการจองเวรเวรนะครับได้คือการไม่จองเวรเท่านั้นเห็นถ้าเราต้องการที่จะไม่มีเวรมีกรรมก็ขไม่มีเจ้ากรรมในเวรก็ขอให้เราให้อภัยจะดีกว่าให้ให้ชนะตนเองดีกว่าไปนชนะเขามีคําสุภาสิทธ์ที่พูดว่าชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสน ก็สู้ชนะตนเองไม่ได้คนเดียวก็ชนะผู้อื่นก็จะไปทําให้เขาอาฆาตพยาบามเราถ้าเราไปทําให้เขาแพ้เราไปทำแล้วถ้าเราแพ้เออเราก็จะอาฆาตพยาบามเราดนั้นการต่อสู้กันเพื่อแพ้ชนะกันฝายใดฝ่ายหนึ่งมันจะต้องมีการอาฆาตในการพยาบามตามมาอย่างแน่นอนผู้แพ้ย่อมจะโกรธแค้นโกรกขึ้น ผู้ชนะก็าจะกินไม่ได้นอกไม่หล่ะเพราะเขาจะต้องมีความหวาดระแวงว่าจะต้องถูกจองล้างแค้นหรือเปล่าเนี่ยงั้นการชนะตดนดีที่สุดเพราะชนะตนี้คือชนะความโกรธที่มีใน ใ, นใจเราด้วยการให้อภัยเนี่ยด้วยความเมตตาถ้าเราอยากจะสร้างบารมีเมตตาบารมีเนี่ยนี่คือคือเวลาสร้าง อยาจะแผ่แผ่เมตตาไม่ได้แผ่ตอนที่เราสวดจันคนเข้าใจแผ่กันคิดว่าเราสวดบทแผ่เมตตาแล้วเราได้เราได้แผ่เมตตาให้กับคนหนึ่งแล้วไม่ได้แผ่ให้ใครจะจะแผ่ให้เขาต้องเจอเขาตอนที่มีเหตุการณ์ตอนนี้ก็ทําให้เราโกรธทําให้เราเสียหายแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขาคือเอาเวลาหุนตุกไม่จองเวรด้วยการใ ห, ให้อภัยเขา พอเราให้อาภายัยเขได้ใจเราก็เย็นสบายอันนี้เป็นวิธีที่พระเจ้าสอนแต่ในทางปฏิบัติเราก็ยังมีอีกสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือเวลาเกิดความโกรธก็ใช้สตินิยมย้งไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังว่าถ้ายังให้อาภาัยไม่ได้ก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพื่อให้ระงรับความคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธ ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปสกักพักหนความความโกรธมันก็จะหายไปเพราะความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เรโกรธมันมันถูกระงับไปเราไม่ไปคิดถึงมันดึงใจออกจากมันให้ได้ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ก็เดินหนีไปนะเดินหนีไปอย่าไปอยู่ในเหตุการณ์ออกมาทํางกายก่อนแล้วออกมาแล้วใจยังไม่ยังไม่ยอมก็เราใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธดึงไว้หยุดมันให้ได้ สักพักหนึ่งมันก็จะเรื่องเมื่อที่ทําให้โกรธความโกรธก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นแบบแบบใช้อุบายของสติถ้าจะใช้อุบายของปัญญาก็ให้พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอนัตตาเป็นปรากฏการทางธรรมชาติฝนตกแดดออกน้ําท่วมเราไม่ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมเวลาเกิดน้ําท่วมขึ้นมาฝน มีไฟไหม้หรือมีโรคระบาดโควิดเนี้ทําให้เกิดความเสียหายร้ายกาจก็ยิ่งกว่าคนทําให้เราเสียหายก็นเยอะแยะไปเราก็ยอมรับได้เราก็ไม่ไปโกรธไฟไหม้เราไม่ไปโกรธน้ําท่วมเราไม่ไปโกรธโรคระบาดเราก็ทําใจ เ, เพราะว่ามันเป็นเรื่องเหนือวิสัยที่เราจะไปทําอะไรไนดะ้มันเป็นอนัตตา สภาวะธรรมทั้งปวงสเปธมาอ น, มอนัตตาให้มองอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสภาวะธรรมร่างกายของคนนี่ก็เป็นสภาวะธรรมแต่เราไม่มองว่ามันเป็นคนที่ควบคุมบังคับได้แต่ความจริงมันก็เป็นสภาวะธรรม ท, ที่บางทีเราควบคุมได้แต่บางทีเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้เวลาที่เขาจะทําร้ายเราหรือเวลาที่เขาอาจจะมา ป, ประมาทหรือจะทร้ทายแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับเรา ก็ขับรถมาแล้วขับแล้วมาชนเราอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามองเขาว่าเป็นเหมือนกับสภาวะทำเหมือนกับน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นเดินไหวอะไรทำนองนี้เราก็จะไม่ปวดเขาให้มองว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาสเปธมานะตาแล้วก็วิธีป้องกันอีกอย่างก็คือใส่ถุงความโกรธของเราเกิดจากความอยากของเราเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ พอมันไม่เป็นมันเราก็โกรธอยากให้เขาช่วยเหลือแล้วหน่อยพอเพราะเาไม่ช่วยเหลือเราก็เสียใจแลก็โกรธขึ้นมาอยากให้ทีมเราชนะพอทีมเราแพ้ก็ไปโกรธกรกรมการถาว่านะกรรมการลาเอาียงว่าอะไรบ้างแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาชนะใครจะแพ้ชนะก็ไม่เรื่องของการกีฬาเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่เสียใจเวลาที่ทีมที่เราเชียร์แพ้ไป ฉนั้นต้องทําใจเป็นสันโดษให้ได้เออเินดีตามมีตามเกิดมาเช่นมาอย่างไรก็ได้ได้มากได้น้อยก็โอเคไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นตอนนี้เขาปรับรัฐมนตรีกันคนได้ถ้าเขาสันโดษออยู่ก็ได้ไปก็ได้เขาก็จะไม่ทุกข์แต่คนที่เขาต้องอยู่ไปไม่ได้เนี่ยจะทุกข์มากจะโกรธด้วยมันจะโกรธคนที่มาปรับเขา นี่คือวิธีการแก้ความโกรธต่างๆที่เอามาฝากท่านคุณมอเราจะใช้เอาไปทำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมได้หลักการสามข้อเลยครับรอาจารย์ขั้นแรกเมตตาก่อนใช่ไหยครับขั้นที่สองสติ 3. และขั้นที่สามคือปัญญาได้ประโยชน์มากเลยครับรอาจารย์อาจารย์นั้นคนที่ไม่โกรธอย่างพระอริยะบุคคลนะครับ โซดาสกีธานนี่ยังมีโกรธอยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์แต่พระนาคานี้คือหมดแล้วใช่ไหมครับพนาคาก็ยังไม่หมดพระลานตที่ที่จะหมด mm hmm. เพราะว่าพระนาคาก็ยังถือต้นอยู่ยังมีมานาอยู่ oh. ใครทําะไรที่อลบหลู่ท่านได้นก็ยังจะโกรธได้อยู่ยังมีอัตตาตัวตนอยู่รพระลานนี้ไม่มีตัวตนเอะไะ รู้ว่ากายก็ไม่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนจิตเขาไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเลยมีแต่ตัวรู้ผู้รู้อย่างเดียวใครทําอะไรก็รู้เฉยๆใครจะด่าก็รู้ใครจะรบหรูอดูถูกดูเมิ่นดูใครก็รู้ไปเฉยๆไม่มีผู้ัวตนออกมารับแต่พระนางพาหมี์ยังไม่ตัวตนอยู่ในจิตเดี่พระนางพาหมี์ร่ายโตตนในร่างกายได้แต่โตตนในจิตยังล่าไม่ได้ แสดงว่าจริงๆแล้วผู้ชนะความโกรธได้เด็ดขาดนี่ก็คือพระอราหันต์เลยนะครับอาจารย์ใช่พระอรหันต์นี่ยังเป็นผู้ที่กาจัดความโกรธได้อย่าง100ร้อยเปอร์เนพรท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวตัวรู้เองก็ฉัแต่ว่ารู้ไปเป็นผู้สักไ ม, ม่ใช่ตัวตวนตัวรู้ตัวคิดีก็ไม่ใช่ตัวตวนเป็นเพงแต่ความคิดความรู้นั่นเอง อาจารย์ครับบางคนก็เป็นคนโกรธง่ายบางคนก็เป็นคนโกรธยากอันนี้ก็เป็นเป็นพร อ, อุปนิสัยเดิมของเขาใช่ไหมครับใช่อุป น, นิสัยที่เคยปลูกฝังมาแต่สามารถแก้ได้ถ้ารู้ว่าความโกรธนี่มันไม่ดีมันเป็นโทษกับตัวเรามากกว่าผู้อื่นเราจะนําให้เราไปกอ่อเวรก่กอกรรมกับผู้อื่นก็พยายามฝึกพยายามลดละความโกรธลงแต่ก็ถ้าไม่รู้จักวิธีก็อาจจะยากทําให้เป็น แต่ถ้าเอาสามวิธีนี้ไปใช้รับประกันได้ว่าต่อไปความโกรธจะเบาลงจะน้อยลงไปตามลําดับอารครับอย่างตัวผมเองเนี่ยครับก็มีความโกรธอยู่ในใจบ้างแต่ว่าก็พยายามยั้งไม่แสดงออกเพราะฉะนั้นคนจะไม่ค่อยเห็นว่าโกรธแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันก็ยังยังดีอยู่บ้างนะครับอาจารย์ใช่เพาะยังไม่ได้ใช้ปัญญาหรือใช้เมตตาอย่างใดอย่างหนึง่งทา้งนั้นมเหมครับ เดี๋ยวจะนำไปฝึกให้มันหายไปจากใจครับอาจารย์ครับใช่ต้องมองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาแล้วเราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่หวังหวัจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่หวังเพราะาเป็นเรื่องของปากกรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไปสั่งไม่ได้ให้หันยินดีตามมีตามเกิดสันโดดแล้วก็จะไม่ค่อยโกรธไม่โกรธเลยครับกล่าวขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ปัญญาครับผม เดี๋ยวขอโอกาสถางคำถามจากท่านเพื่อนเอนบ้าง น, นะครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือเรื่องของความโปรธเชิญถามเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับคุณอัญเชลีครับบอกว่ารบกวนมี2ข้อนะครับข้อที่1ใส่บาตรทุกเช้าให้สามีผู้เสียชีวิตเขาจะได้รับไหมและอันดับส่งของการใส่บาตรตอนเช้าตอ่าตอตนเองคืออะไรครับคือการใส่บาตรก็เป็นการทําทานการให้อย่างนึ่งการให้นี่ก็จะทําให้ใจนี่มีความสุข มีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็จะเป็นสวรรค์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้ก็จะไปไปสวรรค์สาหรับผู้ให้ส่วนผู้ที่เราอุทิศให้นี้ก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานภาพใดถ้าเขาอยู่ในสถานภาพที่มารอรับส่วนบุญก็คือเป็นขอทานทางบุญทางเตวิญญาณเขาก็รับไปได้แต่ถ้าเขาไปมีบุญมากกว่าที่เขาจะต้องมารอรับส่วนบุญก็เป็นเศรษฐีบุญ มันบางคนทําบุญทําทานเป็นประจาําเป็นปกตินี่ใส่เวลาตายไปก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญจากใครเอาใจเองมีบุญเอาติดตัวไปได้คนที่จะมารับนี่ต้องอยู่ที่สถานภาพคำว่าเขาขาดบุญหรือเปล่าถ้วเขาไม่ขาดบุญก็ไม่ีบุญติดตัวเข้าไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญจากใครข้อที่สองครับ สามีมาเข้าฝันลูกชายสี่ขวบทุกวันพระไม่มาเข้าฝันที่ฉันแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับมันความฝันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนบางทีไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเข้ามาหาเราหรอกมันเพราะเราคิดไปคิดถึงเขาเองก็ได้ความฝันเก็เกิดจากความคิดตกแต่ของจิตเราเองดังนั้นก็อย่าไปถือเป็นประเด็นสาคัญข้็ถึงว่ามันมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ คุณสมบัติครับสิทธิ์อยากทราบว่าหลังจากตายไปแล้วจิตปรุงแต่งตามสัญญาเดิมแล้วเมื่อใดสัญญานั้นจะดับจากนั้นจิตก็จะไปสวยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีถูกต้องไหมครับไม่หรอกตอนที่ตายไปสัญญาเดิมนี้ก็คือกรรมดีหรือมันกรรมไม่ดีเนี่ยมันเป็นโบกฝังอยู่ในสัญญาบุญที่เราทําไว้มันก็จะฝังไว้ในสัญญาบาปที่เราทำไว้มันก็จะฝังไว้ในสัญญานี่มันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกําลังมาก ถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะส่งให้สัญญาส่งแต่เรื่องไม่ดีมาให้เราฝันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะสั่งส่งให้สัญให้สัญญาส่งแต่เรื่องดีให้ให้เราฝันกันตัวสัญญาเนี่ยเป็นเทือที่เป็นเป็นเหมือนกับเป็นคันที่เก็บวีดีโอทั้งหลายที่เราถ่ายไว้ในขณะที่เราไปทําอะไรต่างๆทําดีทํำชั่วมีการมมีมีวีดีโอติดตามเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัว มันก็ติดตามเราตลอดเวลาแล้วมันก็ฝังอยู่ในใจของเรา เ, เป็นบุญเป็นบาปเนี่ยในเวลาตายไปเนี่ยบุญกับบาปอันนี้เรื่องไหนมันจะแรงกว่ากันมีกำลังมากกว่ากันดังนั้นมันก็จะออกมาแสดงผลก่อนคุณปูครับเพื่อนไปทำบุญมาแล้วบอกว่าเอาบุญมาฝากโยมบอกสาธุตรงนี้โยมได้ส่วนบุญไหมครับ ไม่ได้ทั้งคู่หรอบ้านเนื้อกันทั้งคู่คือคนทําก็บุญของใครของมันเอามาฝากกันไม่ได้หรอกแล้วก็คนก็คนอนุโมทนาก็บ้าตามเข้าไปคนบ้ า, าบุญมาฝากมันไม่เอามาฝากไม่ได้นะก็คนอนุโมทนาก็อ๋อก็อนุโมทนายดีใจไปครับด้วยมันก็เป็นการเล่นละครหลอกละครลิงหลอกกันลิงหลอกนนะลลเจ้าแล้วจริงประโยชน์จริงๆไม่มีเลย บุญของไก่ของมันนี่พระเจ้าก็บุญมาฝากพวกเราเนี่ยเนิ้พานมาฝากพวกเราไม่ดีกว่าพวกเธอไม่ต้องไปปฏิบัติให้เหนื่อยเราปฏิบัตินิพอพานเอามาแจกพวกเธอเลยเอาไปเลยสาธุ ก, กันปักก็เข้านิ้อพานไปได้เลยครับคุณสุจินดาครับบอกว่าตายไปแล้วเกิดเลยหรือว่าต้องไปชดใช้กรรมรับบุญก่อนครับ การว่าเกิดมันมีหลายความหมายถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี้ยังไม่ได้เกิดแต่เกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นนรกเป็นอะไรนี่มันเกิดทันทีพอร่างกายตายไปถ้าบุญมีกําลังมากก็เกิดเป็นเทวดาทันทีถ้าบาปมีกําลังมากก็เป็นเ ป, นปรตเป็นอนรกแล้กตายแล้วตกนรกทันทีอันนี้เกิดทันทีจนกว่าบุญหรือบาป ท, ที่มีที่พลต่อจิตใจหมดกําลังลงถึงจะมารอรับ การเกิดเป็นมนุษย์ซึงจะเกิดได้เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีการตั้งคันมากน้อยเพียงไรถ้ามีการตั้งคันน้อยคิวยาวมันก็ต้องร อ, อกันไปยาวหน่อยคุณแรดครับถวายข้าวพระพุทธรูปพระพุทธได้บุญไหมครับไม่ทำตามของพี่บ้านเขาทำทำกันมาจะโดนต่อว่าได้ครับไม่ได้เพราะไม่มีผู้รับการจะทำทานนห้ต้องมีผู้รับผู้ได้รับประโยชน์จากการ เสียสละของเราเช่นถ้าให้ขอทานไบเนี้ยเอาของที่บูชาอุทานุนี้ไปให้ขอทานเนี่ยได้บุญทันทีเพราเราเห็นเกิดคุณประโยชน์เห็นขอทานที่อดอยากขาแคลนเขได้มีอาหารกินหลายคนก็มีความสุขเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้แหละคือบุญแต่เห็นอทุทานุนล้วท่านก็ไม่ได้กินของมันก็อยู่เหมือนเดิมไม่รู้จะเกิดความสุข ข, ขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมอทุทานุนก็เป็นเป็นโลหะเป็นวัตถุ ท่าก็กินของพวกนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าก็มันมีสองสองวิธีอมิสบูชากับปฏิบัติบูบชาอมิสบูชาก็ให้ทําบุญทําทานแต่ไม่ให้ไปทำกับพพระพุทธลูกแต่นั่นเองให้ไปทำบุญกับพระสงฆองค์เจ้าหรือคนยากไร้อะไรทำนองนี้หรือทํำบุญกับบิดามารดาของเราก็ได้เลี้งดูบิดามารดาของเราทนที่จะเอาข้าวนี้ไป ไปไปไปบูชาพระพุทธรูปก็เอาไปเอาไปป้อนพ่อป้อนแม่ก็ได้เลียงพ่อเล้แม่ก็นด้อันนี้ก็จะได้บุญเรียกว่าอภิสบูชาบูชาด้วยวัตถุเข้า่องของต่างๆแลาวบูชาที่สูงวันนี้พระเจ้าบอกคือการปฏิบัติบูชาในปฏิบัติจิตภาวนาอันนี้แหละเป็นการบูชาที่สูงที่แบบที่พระเจ้าส่งท่งเรงให้ให้บูชากันผู้ที่บูธ บูชาเราด้วยการปฏิบัติบูชาคือพุที่บูชาเราอย่างแท้จริงจะเจงตรงตัสไวคุณหมวยบอกว่าฝากเงินไปทําบุญเราได้บุญไหมครับได้เนเงินของเราแล้วเราฝากไว้นี่เราก็ได้คุณเกรียงไกรครับทำคือสร้างสติใช่ไหมครับคือทำนี่มันมีความหมายที่กว้างขวางว่าทำ พูดทั่วไปก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราก็มีหลายหลายอย่างเช่นเราทําบุญทําทานอันนี้ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งอห้เรารักษาศีลก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งอห้เราเจริญสติเพื่อทําเพื่อนั่งสมาธิให้จิตสงบอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมอย่างหนึ่งให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอย่างนึงอันนี้ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นปัญญางนั้นธรรมมันมีหลายระดับดนวยกัน คุณสเสลธ์ครับให้เงินคนลำบากได้บุญทันทีเลยไหมครับก็ <S <S อยู่ที่ใจเราไงพอเรารู้สึกแคปปมีความสุขใจขึ้นมาเราก็ได้บุญทันทีเพราะว่าคำว่าบุญนี่คือความอิ่มใจสุขใจนี้คุณเพิ่มสัก์ครับขอธรรมะครับขอ้บขอที่หนึ่งการพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาครับคือการพิจารณาอาหารความมีปฏิกูลของอาหารนี่เพื่อที่จะ กำจัดความอยากกินนับอาหารนอกเวลาเวลาที่ไม่จําเป็นจะต้องรัประทานเช่นนั้นเป็นนักบวชเนี่ยอยไม่ให้ไม่ฉันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วท่านนักบวชบางท่าน ท, ที่เข้มที่เข้มข้นหน่อยก็ฉันมื้อเดียวยงั้นพอเวลาที่เกิดสมมติว่าถ้าฉันมื้อเดียวแล้วฉันเสร็จแล้วแล้วไม่ทันสักระยะหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งอยากกินอีกแล้ว ตอนนั้นน่ยต้องนึกถึงอาหารเลปฏิกูลคือให้หนึกถึงสภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานอย่าไปคิดถึงอาหารที่คณะที่มันอยู่ในจานให้มันดูที่ที่มันย้ายที่อยู่ของมันอยากจานมาอยู่ในปากเราด้วยการขบเคี้ยวผสมด้วยน้ำลายแล้วลองคายมันออกมาดูว่า <c oughs> มันยังน่ากินเยอะไ่า ได้าอาหารที่อยู่ในปากแล้วเห็นอาหารที่อยู่ในท้องขอไปอาหารที่มันอาเจียนออกมาเรืออาหารที่เราถ่ายออกมาทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาหารเก่านะครับพิจารณาเนี่ยคือปฏิกูลสัญญาเขาว่าปฏิกูลก็สปกปรกไงพิจารณาส่วนอาหารที่เป็นสกปรกแล้วอาหารที่เข้าไปในปากมันก็สกปรกแล้วมันผสมกับน้ําลายเรา ถ้าเราขายออกมาแล้ว เ, เอาไปป้อนเพื่อนให้ใหเพื่อนกินเนียเพื่อนก็จะยอม ก, กินไหม <c oughs> เราบอกออนนว่าหลาั้เนี่ยมันกีนอยู่ในปากเราเราชีมก็ไม่มียาพิษเลยปลอดภัยเขาจะกินไหมก็ไม่กล้ากินอ่ะป้อมันสกปรกอมันไม่ไม่น่าดูอันนี้คืออานเลยปฏิกุลสัญญาสัญญาก็คือความจําความจําในความไม่สวยงามของอาหารต้องนึกอยู่บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆจนชนานาญ พอเวลาถึงเวลาที่อยากกินขึ้นมาโดยที่ยังไม่ถึงเวลาจะกินก็ใช้ใช้การพิจารณาแบบนี้เพื่อระงับความหิวหรือน้องคนที่อยากจะเล่นความเพลยนใช้การอดอาหารมาเป็นการเสริมความเพียนบางทีก็อยากจะกินอาหารขึ้นมาก็ให้ใช้อาหาเรเลยปฏิบูรสัญญาความอยากกินหรือความหิวก็จะหายไปครับอาจารย์ครับตอนพระอาจารย์เป็นคารวะแล้วปฏิบัตินี้ก็ ก็มือเดียวมาตัง้งแตตอนเลยใช่ไหมแล้วก็เริ่มต้นกมือเดียวเลยเพราะมันประหยัดเงินด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ประหยัดเวลาด้วยไม่ต้องเสียเวลามากได้ไ ด, ได้ได้นอกสองตัวยิกระสุนนั่นเดียวได้นอกสองตัว <c oughs> แล้วก็มีเงินจํากัดแล้วก็การจะให้มันอยู่ได้ถึงปีเนึ่ยก็เลยต้องมีการมีการประหยัดกินเท่าที่จําเป็น ข้อที่สองครับอะไรเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์และแก้ไขอย่างไรครับกิเลสนะครเป็นต้นที่ทําให้เกิดนิวรณ์ต่างๆขึ้นมาเช่นความโกรธนี่ก็เป็นนิวรณ์อย่างนึงก็ก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสทาให้เราจิตเราไม่เป็นปกติภาวนาไม่ได้เพราะจะคิดแต่เรื่องโกรธอันนี้ต้องใช้อย่างที่อธิบายบางก็ต้องใช้ความ ความเมตตาต้องให้อภัยอภัยทานไม่จองเวรจองกรมกันความโกรก็ยังรับลงได้หรือใช้การเจริญสติพุโทโธพุโทโธบริกรรมพุโทโธไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธมันก็จะรัรบได้ดีว่าทั้งหมดนี้เกิดจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราคุณประวันรัฐ บอกว่าการตัดบาทแล้ะกรวดน้ําโดยไม่ใช้น้ําคนที่ตายไปแล้วได้รับบุญไหมครับได้เัวน้ําไม่มีไม่มีไม่เป็นเรื่องสําคัญน้ํามีและไม่มีไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็บุญมีไม่มีบุญที่เราถ้าเราไม่ได้ทําบุญเราไปอุทิศบุญก็ไม่มีบุญอุทิศให้เขาต้องทําบุญก่อนต้องใส่บาตรแอะถวายทานทําทานที่ไหนที่แห่งหนึ่งแล้วเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมานี่แหละ ขออุทิศความอิ่มใจสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วที่ยังหิวโหยอยู่ขอให้ความสุขใจอห่มใจนี้ไปชำลมจิตใจของเขาให้เขามีความอิ่มเหมือนกับที่เรามีความอิ่มในขณะนี้เมื่อนลงใจ้น้ําที่เขาใช้น้ําก็เพื่อเป็นการเป็นสาธิตตัวอย่างของบุญเนี่ยสาธว่าน้าน้ํานี่เปรียบเหมือนบุญเทจากใจหนึ่งจากภวาชนะหนึ่งไปสู่คภาชนะหนึ่งไปจากใจดวงหนึ่งไปสู่ใจดวงหนึ่ง อันนี้เป็นสาธิต็นการสาธิตให้คนที่ยังต้องอาศัยลูกธรรมให้เกิดความเข้าใจถึงเรื่องการอุทิศตนว่าเป็นอย่างไรเท่นั้นเองคุณสุธารัฐครับอยากเรียนถามเขาโกรธเราเอามาอยากฆ่าเราแต่ในใจไม่โกรธตอบแต่เขาไม่เลิอกอาฆาตเราอยากทําร้ายเราควรทําอย่างไรที่จะได้ไม่มีเวรตอบกันครับก็ต้องปล่อยเขาทําไป เ้าก็ได้ทําร้ายเราแล้วเขาก็จะเขาก็จะเลิกเราก็ยังไม่ได้ทําตามที่ก็ต้องการจะทำเขาก็ยังอยากอยากทำอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้หมดเวรหมดกรรมก็อย่าไปหนีเลยอยู่ของเราตามปกติถ้าเขาตามมาทันเขาจะทําร้ายเราก็ใช้เวรใช้กรรมไปแล้วมันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันเนี่ยถึงบอกว่าอย่าไปทําบาปทําบาปแล้วมันจะต้องมีเวรตามมาหนุนรังไม่ได้ คุณคิมบอกว่าการถวายน้ําพระที่หิ่งก็เลยเป็นเพียงกุสโลบายใช่หรือไม่ครับทั้งหมดนะมันก็เป็นเพียงกุสโลบายว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้านะครับจริงไม่ได้เป็นการกร บ, บูชาแม้แต่นิดเดียวเพราะพระลูกก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะรพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้เราบูชาด้วยอเมทสบูชาทำบุญทำทานหรือให้ปฏิบัติบูบชาด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนา <c oughs> คุณอัชริยะครับโกรธควรกําหนดรู้หนอได้ไหมครับถ้าตัดบริกรรมพองหนอยุบหนอครับก็ลองดูเลยอันนี้นักปฏิบัติจะต้องพิสูจน์พราะแต่ละคนอาจจะมีมีวิถ่ายมีอุบายวิธีต่างกันไปอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าได้หรือไม่ได้การปฏิบัติบางครั้งก็ต้องมีการลองผิดลองถูก คุณดาวบอกว่าเห็นบางคนทําบุญโดยการใช้เอาเงินใส่บาทพระสงฆ์อาบัติไหมครับพระสงฆ์ในท่านก็จะผิดพระบินัยเพราะว่าท่านไม่สามารถรับเงินทองได้โดยโดยตรองต้องฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาแต่บางทีญาติโยมก็ใส่มาโดยที่ท่านก็ไม่รู้สึกตัวไม่มีทันที่จะไปเบิกได้บางทีก็ใส่ผูกมากกับดอกไม้มากบางทีก็ใส่มากกับอาหารเลยของที่ใส่บาทมา ที่มันก็สุดวิสัยมันก็ไม่ใช่เป็นเนอะเป็ น, เ ป, นเป็นโทษแบบร้ายแรงอะไรมันก็เป็นเพียงแต่ทําให้ถูกพระวินัยที่ไม่อยากให้พระครอบครองเงินทองถึงเงินทองเก็บไว้กับตัวเองให้พระฝากไว้กับผู้ที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้เวลาที่ต้องการจะซื้อของอะไรก็ให้คนที่เขาถึงกันนี้ให้ไปช่วยจัดการให้ไม่ให้พระไปยุ่งเกี่ยวกับเรเงินทอง มันจะเป็นอันตรายต่อพระเองถ้ามีเงินเท่าติดตัวไปไหนมาไหนไปทุดดงเนี่ยการกดอยู่ที่ไหนบางทีพวกมิจฉาทีพเอยมีพระมาแนละ้วมีข่าวอยู่เรื่องบางทีพระเนี่ยถูกพ่นกงมีการกดอยู่ในส่วนพวงติดยาเสพติดต้องการมีเงินก็ไปพ้นไปทีนี่ไม่มีก็อาจจะข่าก็ได้แต่เมื่ออยากให้พระมีไม่มีเงินติดตัวกับตนเองไม่ใช้เงินด้วยตนเอง ให้ฝากเงินนิไว้กับวิทยาวจักรผู้ที่ชื่อถือได้เวลาต้องการที่จะใช้เงินใช้ทองชื่ออะไรก็บอกให้เขาไปช่วยจัด ก, การชื้ออะไรคุณเกลี่ยนไกลครับเงินคือปัจจัยหรือไม่ครับคําว่าปัจจัยแปลว่าอะไรนะก็เป็นสิ่งที่อํานวยอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับกับเราใช่ไหมเงินก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สามารถจะ ทำตามที่เราต้องการได้อยากจะได้อะไรเราก็ใช้เงินี้ไปแรกเปลี่ยนสิ่งที่เราอยากได้มาก็เป็นปัจจัยอย่างนึงของพระเราเนี่ยนมักจะไม่ใช้คําว่าเงินเงินเราจะใช้คําว่าปัจจัยแทนครับยมจะถวายปัจจัยนะวันนี้ฟังก็งงว่าอย่าถวายปัจจัยแปลว่าอะไรวันนี้ก็หมายถึงเงินนะไม่อยากจะรับเงินรับทองยังมีวัดชงลงปู่ทุกที่ท่านก็มีติดติดไป้ายไว้ที่วัดเลยนะ โยมอย่ามาทำบุญเอาเงินเอาทองมาตวายพาสเลยครับไปเล้งพอเลี้มาก่อนเถอะคุณสเสลศบอกว่าดูแลหมาจรป่าพิการได้บุญไหมครับได้ก็เป็นการถ้าให้ทานเราก็ต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลก่อซื้ออาหารมาให้เขากินเขาไม่สบายเราก็ต้องดูแลรักษาเขาอันนี้ก็เป็นเป็นการทาบุญอย่างนึแต่เราไม่ไม่ยอมใช้คาว่าบุญ เขาจะเรียกว่าเป็นการทําทานถ้าทํากับสัตว์ทำกับคนที่มันจะเป็นนักบวชล้วก็เรียกว่าทำทานแต่ถ้าทํากับนักบวชแล้วก็เป็นปน้ำเป็นทําบุญความจริงมันเป็นการกระทํคาคําที่ถูกต้องคือทานเป็นการการ ท, ำทำําทานไม่ว่าจะทํากับใครมันก็เป็นการทําทานว่าคําว่าทรรานปัจการให้ให้เงินทองให้เข้าของให้ปัจจัยสี่กับผู้รับไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นทานหน ผลที่ได้ก็คือเป็นบุญเหมือนกันผลก็คือความสุขใจอิ่มใจอันนี้แหละคือผลเป็นบุญเง่้งสุนักก็ได้บุญใส่บาตรก็ได้บุญครับเป็นการทําทานทั้งสองอย่างเป็นการทําทานเหมือนกันคุณเงินครับขอความเมตตาพระอาจารย์ลูกได้ปฏิบัติภาวนาจิตลูกได้เห็นตัวผู้รู้ ได้เห็นจิตแยกการทำงานของความทุกข์เห็นสภาวะทำแบบนี้สามครั้งแล้วลูกอยากจะถามอาจารย์ว่าสภาวะแบบนี้ลูกภาวนาไปทางถูกหรือไม่ครับคือการเห็นสิ่งเหลนี้มันเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือทุกข์และเหตุของความทุกข์มากกว่าเวลาที่เรามีความเศร้าโศกเสียใจนี่เราเห็นไหมว่าขณะนี้ใจเราเศร้าโศกเสียใจมันความทุกข์นี้อยู่ในใจเรา แ้วเกิดจากเหตุอะไรไหม mm hmm. เกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึง่งให้เห็นอย่างนี้ให้เห็นอริยสัจสี่ดีกว่าเห็นกาย mm hmm. หเห็นจิตใจกับจิตก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ความทุกข์ทั้งนั้นเองมีทุกข์ท่านั้นที่เกิดและมีทุกข์ท่านั้นที่ดับที่เราต้องคอยเฝ้าผัสังเกตอยู่ถ้ามันดับก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันเกิดก็แสดงว่าเราต้องแก้ปัญหาแล้วปัญหาเกิดแล้ว เหมือนกับร่างกายเรานี่เวลามันถ้ามันเป็นปกติมันไม่มันไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแต่พอมันเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ต้องเริ่มคิดหายาหาหมอกันแล้วเพื่อมาบําบัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกมก็เป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของใจที่เราจะต้องคอยบําบัดแต่ไม่มีไม่มีหมอมีไม่หมอที่จะมารักษาให้กับเราเองนะเราต้องเป็นหมอเอง เรต้องปฏิบัติเราต้องเาธรรมะอุปสมบทของเจ้ามาดับมันให้ปัญญาศึกษาค้นหาว่าความทุกข์ใจเราเกิดจากความอยากชนิดไหนอยากได้อะไรหรืออยากไม่ได้อะไรพอ ร, รู้ว่าเป็นเกิดจากความอยากชนิดนี้ก็พยายามหยุนมันด้วยการสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากมันไม่เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่เราควบคุมบังับไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ ถ้าไม่ได้ประหยะัด<ม>ก็อย่าประหยัดมันเสียกับท่าน mm. ก็จะไม่ทุกคุณเพนประภาถามว่าถ้าชอบทําทานกับสัตว์แต่ไม่ค่อยใส่บาตรเสียชีวิตจะได้สเสบียงบุญจากทานนั้นไหมครับได้ได้เหมือนกันเวลาถ้าเราทําบุญกับพระนี่เราอาจจะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านหรือท่านอาจจะมีธรรมะหนังสือดีๆให้เราไปอ่านเราก็จะได้ของแถมได้บุญอย่างๆที่บุญที่สําคัญกว่า บ, บุญที่ เกิดจากการให้ทานก็คือบุญที่เกิดจากการได้ปัญญาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณอนุมาครับทำอย่างไรจะลดละความโกรธความห ง, งุดหงิดได้ครับก็นี่แหละต้องลดความอยากลงเลยให้หันฟยินดีตามมีตามเกิดฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้ร้อนก็ได้หนาวก็ได้มันก็จะไม่ห ง, งุดหงิด ถ้าจะเอาแต่เย็นอย่างเดียวน้อยไม่นานเนี่ยพอร้อนขึ้นมาก็หมดเหตุขึ้นมาทันทีคุณคิดดีครับเอาข้าวที่เหลือจากพระมาบ้านบาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเอามาในรูปแบบหนยถ้าพระท่านเสียสละแจกให้ลองก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไปขโมยมาท่านยังไม่ทันกินเขาแบ่งมาแบ่งไว้ส่วนหนึ่งแล้วบาปแน่แน่ ของที่ไปบินทบาทากลับมานี่พระท่านยังไม่ได้อนุ ญ, ญาตให้เราแล้วเราก็แบ่งมาก่อนอะไรเงี้ยไ่เงีย้ยบ า, าเปเพราะมันเป็นการเป็นการเอาของของผู้โดยที่เขายังไม่ได้อนุ ญ, ญาตแต่ถ้าพระครั้อนุ ญ, ญาตลงนณรไปก่อนแล้วอของที่มาจากบินทบาทนี่ใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปนี่ก็จะไม่บาปแต่จะมางทีจะดีหรือไม่ดีก็ต้องพิพจารณาถ้าเอามาด้วยความโลภก็ไม่ดี เพราะว่าการไปวัดนี้เราเพิ่มต้องการไปรับความรล่ง ม, มากกว่าไปส่งเสริมความโล่เป็นค น, นคนก็เลยไม่ไม่ไม่เอาของที่มาจากวัดกลับบ้านเลยเพราะเขาต้องการจะไปให้ก็จะไม่ต้องการที่จะไปรับอะไรจากวัดเขาต้องการที่จะไปสละความโล่ของเขาด้วยการบอยจากเข้าของเงินทองให้กับวัดแต่เมื่อวัดจะให้อะไมาบางทีก็จะไม่รับกลับมาหรือรับก็รับแลบ้วกอาจจะให้คนอื่นต่อไปก็ได้ เราไม่ทำการยึดส่งเสริมความโลภเพราบางทีถ้าพรให้แล้วเขาหน่าก็อยากจะหวังไห้พราให้ก็เกิดความโลภขึ้นมาเองคุณเพียงพิษครับการที่เราดูข่าวการเมืองแล้วรู้สึกเป็นทุกข์กังวลกับบ้านเมืองกับการบริหารตอนนี้เราต้องทําใจอย่างไรที่จะไม่รู้สึกทุกข์ครับอย่าไปนินวดีส่วนอย่าไปรับรู้กันทั้งหมดเลยคิดว่าเรื่องทางโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะ้ว มันมีมาตั้แต่เ ด, ด็กนับวันแล้วมันจะมีต่อไปหลังจากที่เราตายแล้วเ <on> วลาสวดมนต์ทำไมง่วงนอนครับเพราะการสวดมันไม่มีอะไรที่ทําให้เราสนใจมีความอมีความตื่นตื่นเต้นตื่นใจไม่เหมือนกับดูภาพภยนตร์หรือนั่งเล่นไพ่อย่างเงี้ยมันมีเรื่องที่ทำให้เรามีความตื่นเ ต, นต้นตื่นใจมันก็เลยไม่ง่วงแต่พอม า, าสวดบนต์นี่มันเป็น ธรรมะมันเป็นของของที่แบบจืดๆเหมือนกับไม่มีรสมีชาติเงี้ยมันก็เลยทําให้เราง่วงหนาวขึ้นมาครับคุณก้อยครับขอวิหารธรรมคาภาวนาของผู้มาโกรธนะครับนไม่ออกก็ก็พุโทโธก็ได้เนี่ยพุโทโธไปก็ได้เวลาก o i กพ็พยายามพุทโธพุทโธท่องพุโทโธไปเรืเร่อย แล้วเดี๋ยวก็หายเลยวเคุณสุจินดาครับหนูใส่ปัจจัยให้พระเผื่อท่านจะไปหาหมออย่างนี้ได้บุญไหมครับคือเราได้บุญแต่พระท่านอาจจะผิดพระวินยัยในนี้มีพระแบบที่รับเงินได้กับพระที่ท่านไม่รับเงินแน่า แ, แต่ว่าตีความพระวินัยว่าอย่างไรบางท่านทำตีความว่าพพุทธเจา้าอนุญาตให้ยกเลิกข้อข้อห้ามบางข้อที่ไม่ ที่ที่ที่อาจจะไม่ไม่ถูกไม่ถูกกับสมัยแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าสมัยนี้พลาจําเป็นจะต้องใช้เงินถ้าก็เอามาบางทีต้องไปเรียนอยู่วันหนึ่งต้องไปเรียนอีกวันหนึ่งก็ต้องขึ้นแท็กซี่หรือต้องขึ้นรถเมล์ก็ต้องจ่ายเงินอย่หาใลูกเสียคอยมาติดตามถือเงินให้มันก็ลำบากบางทีก็หาไม่ได้ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ท่านก็เลยขอนลดนดล ด, ดสินคอ้อนี้ไป ยกเลิกสินค้านี้ไปอันนีอนุญาตให้จับต้องเงินทองได้เพื่อจะได้สะดวกต่อการที่จะไปศึกษาพระธรรมอัน น, นี้ท่านก็ท่านก็รับเงินท่านก็เก็บเงินไว้กับตัวได้แต่บางท่านบางอีกสายหนึ่งท่านก็บอกว่ า, วายัางอยากจะรักษาความข้อเดิมอยู่ไม่อยากจะยกเลิกคือไม่อยากจะจับต้องเงินทองถ้าจะได้เงินทองก็ขอให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่มาด้วย ถ้าไม่มีลูกศิษย์มาด้วยก็ ก, ก็ก็ไม่ก็ขออนุญาตไม่รับไปคุณสมรักครับอยากทราบว่าเมื่อไปพิจารณาธาตุสี่ซึ่งเป็นสมถะทำไมเวลาไปเสพข่าวแย่ๆเจอเรื่องแย่เวทนาทางจิตถึงเล็กลงและดับลงไปเองไวมากไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เวทนาทางจิตจะเป็นก้อนใหญ่ดับยากครับ ไม่ทราบเามันเป็นเพราะอะไรขอให้รู้ว่าถ้ามันดับได้ก็ดีแะมวรู้ท่นั้นก็พอหงุดหงิดและชอบบ่นในใจไม่พูดออกมาคืออะไรครับก็คือความโกรธเนะี่ยละเอียดที่ยังละเอียดอยู่ยังไม่ระบายออกมาไม่ว่ า, าจะอั่นก็เป็นความโกรธความหงุดหงิดเนี่กเป็นความโกรธอยา่างไม่ได้ดังใจอยากมันก็เลยโกรธหงุดหงิดขึ้นมา คุณเอิร์ธครับเราจะฝึกแยกจิตกับอารมณ์อย่างไรเราจะสังเกตอย่างไรครับเราก็ต้องทำจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนพอาจิตสงบแล้วอารมณ์มันจะหายไปเนื่องราตัวจิตมันสบขอปบข อ, ขอปครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตปิดแล้ว ต้องแยกอารมณ์ให้ออกจากขิตก่นด้วยการทำสมาธิยทำสมาธิอารมณ์ก็จะสงบตัวลงเหลือแต่ตัวจิตคือตัวรู้อยู่อย่างเดียวหลังจากนั้นเราก็จะรู้เวลาที่มีอารมณ์ผล่ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวจิตนี่คืออารมณ์แลเรากาต้องใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อปล่อยวางมันถ้าดับมันได้ก็ดับมันถ้าดับไปได้ก็อยู่กับมันไปการไปนั้นนิจจากทุกข์ของอนันตตา คุณสมพรครับแปลว่าลูกที่ไม่ดูแลพ่อแม่จะบาปมากไหมครับก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่มีความกระตันอยู่ไม่ทแทานเหมือนค่ไม่ได้บุญคุณชวินครับช่วงนี้จเจริญสติจิตเคลื่อนสติตัดเร็วมากแบบนี้มันจะเป็นการล้างกิเลสไปด้วยไหมครับก็ดูสิดูไปว่าดีเลสน้อยลงไปหรือเปล่าความโรภความกดความหน่วงน้อยลงไปหรือเปล่า ผลของการปฏิบัตินี้ผู้ปฏิบัติต้องประเมินด้วยตนเองคุณกาศลองครับดูแลแม่94ปีคอยปนนิบัติตลอดเวลาแต่บางทีเครียดเผลอโกรธแม่เวลาแม่ทําอะไรช้าบาปไหมครับถ้ายังไม่ไปทุบตีไม่ไปด่าว่าก็ยังไม่บาปคํามโกรมันก็ยังอยู่ในใจเรายังไม่ระบายออกมาด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำก็ยังไม่บาปแต่ก็เป็นอกุศลที่เราต้องพยายาม แก้ให้ได้พยายามคิดถึงบุญคุณของพอ่อแม่คิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กที่ท่านจะต้องมาเลี้ยงเรามันก็เหมือนกันตอนนี้เราท่านมันเหมือนเด็กเราเป็นเหมือนผู้ใหญ่เราก็ต้องดูท่านมาเป็นเหมือนเด็กเราก็จะไม่โกรธท่านคุณจุธารัตน์ครับฝันทุกวันเลยฝันตลอดเวลาที่นอนตื่นมาแล้วปวดหัวเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรครับเนี่ยฝึกสตินั่งสมาธิ มันจะลดความคิดุกแต่งให้น้อยลงแล้วเวล า, านอนหลับมันก็จะฝันน้อยลงคุณดาวครับถ้าเราช่วยหมาด้วยการกําจัดเห็บหมัดให้เราได้บุญหรือบาปครับสงสารหมาเห็บครับถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าเห็บก็ไม่บาปนะถ้าเราเอาเห็บออกจากหมาแล้วฆ่าเห็บมันก็บาปมันจับเห็บออกมาแล้วเราไปเอาไปทิ้งไว้ที่อื่ น, นี่ก็ไม่บาปคุณแจ็คครับ ถ้าเราโดนคําเสียดสีเป็นประจำเพราะอาการป่วยจากลําไส้อักเสบหรือรังอยู่ใกล้ใครเขาก็พูดจาเสียดสีหรือแ ส, สอดงอาการไม่ดีใส่ทั้งที่ผมไม่เจตนาครับเพก็อย่างที่พูดเน่ยให้มองคนอย่างว่าทุกอย่างเป็นเหมือนสภาวกรรมคนที่เขาจะพูดอะไรทําอะไรก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ก็บ่อยเขาพูดไปเราทําใจยอมรับมันไปเท่านั้นเองมันก็จะไม่มีปัญหา นี่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ยอมรับการด่าเสียดสีของเขาเราอยากใช้เขาพูดดี ๆ, ๆกับเราเนี่ยมันก็โกรธมันเสียใจเนี่ยความอยากถ้าเราไม่มีความอยากเรายินดีตามมีตามๆๆๆเกิดเขาจะด่าก็ได้เขาจะพูดจะชมเราก็ได้เราก็จะไม่เดือดร้อนคุณซีเอทีครับข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมทุกวันแต่ก็ไม่อยู่กับการภาวนาตลอดช่วงก่อนมีการทําสมาธิได้แต่มาช่วงหลังสองสมเดือนนี้ทําสมาธิไม่ค่อยได้ ขอพระ อ, อาจารย์ไม่ตายคําแนะนําวิธีแก้ไขครับเพราะว่าเราไม่มีการกําหนดเวลาการปฏิบัติที่แน่นอนไงดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่ให้การปฏิบัติของเราถดถอยเราก็ต้องมีตารางให้กับการปฏิบัติแล้วก็ต้องติดต้องทําตามตารางที่เราตั้งไว้เช่นวันวันหนึ่งจะนั่งสมาธิกี่รอบกี่กี่นาทีต่อรอบ เ, เวลาไหนาแล้วก็ต้องถึงเวลานั้นเราก็ต้องมาทํามันไปถ้าเรา ถ้าเราถำตามตารางที่เรากาหนดไว้ได้การปฏิบัติของเราก็จะไม่เสือ่อมจะไม่ถดถอยก็จะมีแต่ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับคุณจิกกี้ครับให้อาหารคนไร้บ้านคนจรเป็นการทําทานได้บุญมากกว่าใส่บาตรพระไหมครับเท่ากันนะถ้าปริมาณของการให้ให้เท่ากันเช้นให้ร้อยบาทให้อาหารร้อยบาทกับพระหรือให้อาหารร้อยบาทกับคนจรจัดมันก็ได้บุญเท่ากัน บุญไม่เกิดจากการเสียสละของเราว่าเราเสียสละมากหรืน้อยถ้าเราเสียสละมากกว่าร้อยบาทก็บุญก็จะได้มากขึ้นเช่นแทนที่จะทำร้อยบาทเราทำสอ0ร้อยบาทเงี้ยมันก็ได้บุญได้2เท่าคุณอัมพรครับเวลามีคนมาพูดให้เราเสียหายแล้วแกล้งให้คนอื่นเข้าใจผิดเราก็จะไม่พอใจก็จะอดไม่ได้ที่จะโต้อตอบแบบไม่มีสติเลยไม่รู้เป็นอะไรครับ เขาเนี่ยไม่มีสติไม่ฝึกสติกันคอยฝึกสติคอยสอนเตือนใจเรื่อยๆว่าคําพูดของคนนี่เราห้ามไม่ได้บังคับก็ไม่ได้แค่นี้แหละเขาจะพูดดีหรือไม่ดีเราห้ามก็ไม่ได้เราไม่ต้องไปกังวลทําใจเฉยๆไปครับเลี้ยงแมวอยู่แปดตัวเวลาเขาดื้อบ่นว่าเขาบาปไหมครับถ้ายังไม่ไปทุบตีเขาก็ยังไม่บาป คุณดำครับคนที่โทสะบ่อยๆควรเจริญภาวนาเมตตาหรือบทภาวนาอย่างไรดีครับก็อย่างที่พูดนะ่ะคนที่โกรธบ่อยๆเพราะความอยากมากต้องลดความอยากลงให้น้อยลงให้หัดยินดีตามมีตามเกิดแล้วความโกรธมันก็จะไม่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นตามความอยากก็โกรธขึ้นมา คุณสเสลิครับบอกไปตามวัดใส่เงินตามตู้รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟได้บุญไหมครับได้ันนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานคุณสันวรัตครับอยากถามทำไมการทำบุญต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเงินด้วยครับเมื่อก่อนเข้าใจว่าการทำบุญตามกำลังครับอ่าก็คุณจะทาอะไรถ้าคุณทำบุญนะคุณจะใช้อะไรทำใช้เงิน ถ้าคุณไม่มีเงินก็ใช้กําลังก็ได้คุณก็ไปนับใช้วัดสิไปช่วยล้างส่วมไปทําความสะอาดอะไรให้กับวัดอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันถ้าคุณไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรใช้กําลังได้ทําตามกําลังไปเป็นจิตอาสานี่ก็เป็นการทํําทาบุญเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็ขึ้นอยู่กับความความสามารถของคนที่จะทำมาอย่างไรสะดวกบางคนเขาสะดวกเรื่องการทําบุญด้วยเงินก็ว่าทําบุญได้ไง บนคนสะดกกในการทําบุญด้วยกําลังเขาก็าไปทำบุญด้วยกําลังนั้นเองไม่มีปัญหาเลยได้ทั้งนั้นนินทาพระที่ผิดวินัยบาปไหมครับคือคําว่านินทามันก็เป็นที่เป็นเรื่องเป็นวาจาที่ไม่ควรจะพูดเนี่ยเพราะมันไม่เกิดประโยชน์เลยนินทาการเลยเหมืนพูดเพ้อเจ้อพูดไว้สะให้พูดจะพูดอะไรพูดให้มันมีประโยชน์ ด, ดีกว่า ในที่เรามาคุยกันธรรมะเนี่ยมีประโยชน์กว่าถ้าเราเอาเรื่องพราหมณนั้นเรื่งนี้มาวิพากษ์วิจารณ์กันนี่จะจะมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์อะไรครับคุณสุธารัตน์ครับคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุจิตสุดท้ายจะไปที่ไหนหรือจะวนเวียนอยู่ใกล้ร่างที่ตายแล้วครับส่วนใหญ่มันก็จะไปตามบุญตามบาปที่ได้สะสมไว้ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปอบายถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ ส่วนคนดวงวิญานบางดวกอาจจะมีความผูกพันกับสิ่งที่ที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็อาจจะยังไม่ไปทันทีทันใดก็ได้ฉนันอาจจะเอามีเงินติดตัวมาสิบล้านอยู่ในรถนี่แล้วรถกิอุบัติเหตุความผูกพันในเงินตอนนี้กาจจะทาให้ดวงวิญญาณยังพยายามที่จะกลับมาเอาเงินนี้ไปให้ได้ ก, ก็ได้อย่างเช่นมีกรณีในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่ง ร่ลำรวยมีเงินทองเยอะแต่ไม่บอกลูกลูกหลานว่ามีเงินทองได้เงินทองมาเท่าไหร่ก็เอาไปฝังดินหมดฝังดินหมดพอเวลาตายไปดวงวิญญาณก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านแล้วพอพระพุทธเจ้าผ่านมาเห็นสุนักตัวนี้พุทธเจ้าก็บอกลูกหลานว่าเลี้ย ง, งสุนักตัวนี้ไว้ให้ดีอย่าให้มันไปไหนนะมันเป็นพ่อของเธอมาเกิดเป็นสุนัขแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้ ไม่นานหมาก็นะั้นมันก็ไปขุดคุยตามหุงที่เขาฝังสมบัติเก็บไว้อันนี้คือกรณีแล้วแต่ความผูกพันของจิตต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ยังอาจจะทำให้ไม่ได้ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนก็ได้การนึกถึงพระคุณพ่อแม่ทำให้เราสอบผ่านไหมครับการนึกถึงพระคุณเป็นการเตือนใจเราให้เลยอย่าลืมบุญคุณของพ่อแม่ เพื่อเราจะได้ตอบแทนบุญคุณของท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้พระเจ้าบอกบุญคุณของพ่อแม่นี้น้นฟ้าขอให้เรานิ่งดูท่านอย่างดีขนาดไหนแบกท่านไว้บนบาบบนไหลให้ท่านอุดชราอุจจุราปัสสาวะสสยเราจนวันตายบุญที่ท่านให้กับเรานี้ก็ยังใช้ไม่หมดให้เราคิดอย่างนี้เพเราจะได้ไม่ลืมบุญคุณเพื่อเราจะได้พยายามตอบแทนบุญคุณให้ท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ คุณนัชชาครับเป็นซึมเศร้าทรมานทํำยังไงดีครับลดวความอยากลงเถิดลดทําใจให้สงบฝึกสติสวดมนต์ก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราอยากได้เพราะมันอยากได้นะแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็เศร้าใจถ้าถ้าเศร้าบ่อยๆไม่ได้บ่อยๆมันก็เลยถึงกับซึมเศร้า คุณสวยครับทําไมยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นแต่ทุกข์ที่มันผุดขึ้นผุดขึ้นหรือปฏิบัติไม่ถูกครับถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็มักจะไม่มองเข้ามาที่ใจเราเราจะมองไปข้างนอกเราจะมองไปที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะไม่เห็นความทุกข์เมื่อเราปฏิบัตินี่เราเน้นใจให้กลับเข้ามาดูดูใจเราก็จะเริ่มเห็นว่าความทุกข์มันเกิดที่ใจของเราเอย่างมันก็จะเห็นทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นเป้าหมายก็คือให้เราเห็นทุกข์ก่อน ไม่ทุกข์แล้วก็ให้ไปหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเพอรู้ว่าเกิดจากสาเหตุนั้นสาเหตุนี้ก็พย า, า, ายาระงับเหตุนั้นให้ได้พอระงับเหตุนั้นได้ความทุกข์ในใจก็จะหายไปคุณบีวิสครับผมนั่งสมาธิได้ไม่เกินสิบห้าถึงยี่สิบวนาทีก็จะเคลิ้มหลับแล้วครับทํำยังไงก็ยังไม่ดีขึ้นขอความเมตตาครับการหลับนอนนี่มั น, ก, นก็เกิดจากการหนึ่งการรับประทานอาหารมากมันก็ทําให้ ง่วงความง่วงนอนเกิดขึ้นได้ง่ายนะฉ น, นถ้าอยากจะให้ไม่ง่วงกว็กาจจะต้องลดอาหารหลงคนที่ภาวนาเนี่ยมักจะถือสินแปดจนหรือไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันแล้วอันนี้พอตอนเย็นมานัา่งสมาธิมันจะไม่ง่วงคุณสมจิตครับรักษาสีล5ห้ามา20ปีแล้วถ้าเผลอทำผิดสีนข้อใดข้อหนึ่งที่เคยทำมา20ปีสีลจะยังอยู่ไหมครับ โยงนะก็มันก็เสียแค่เฉพาะ ว, วันนั้นเท่านั้นส่วนนันท่านั้นเอ ง, นนนนเองแต่สินสินที่เราเคยรักษาไว้ได้แล้วมันก็ยังอยู่ของเราต่อไปคุณลูกนกครับพระอาหันพูดถึงอนุปาทิเศตนิพานแล้วดวงจิตของท่านจะยังมีเจตจำนงอยู่หรือไม่จิตจะยังมีตัวรู้หรือยังคิดได้อยู่หรือไม่หรือทุกสิ่งหายไปหมดจิตกายเป็นธรรมธาตุลอยๆอยู่เฉยๆครับจิตก็ยังเป็นาตรู้เหมือนเดิม ถ้ารู้นี้ก็มีความสามารถอยู่ห้าประการด้วยกันคือรู้หนึ่งสองมีความรู้สึกคือเวทนาสา ม, มีสัญญาคือความจำได้หมายรูวสี่มีสังขารความคิดปรุงแต่งและห้าคือมีวิญญาณของเรานี้ยังไม่ได้หายไปจากพาารละลาือพระพุทธเจ้ามีเหมือนกับปุถุชนเพียงแต่ว่าในใจไม่มีกิเลสตัณหาความโลภ ก, กฎของโมหะอวิชชาเท่านั้นเองที่ต่างจาก จ, ากจิตของปุถุชน คุณเอ็มเอมครับให้ลูกอายุเจ็ดขวบภาวนาวละสามครั้งครั้งละสี่สิบนาทีทำมากเกินพอดีไหมครับอันนี้แล้วแต่กำลังของผู้กระทำล้วเขาทำได้ก็ดีทำยินงขึ้ทลายได้ยิ่งดีคุณไปยกครับลูกนั่งสมาธิจนรวมระหว่างนั้น จอดแวบไปเห็นเด็กผู้ชายหน้าจะมอต้นใส่เสื้อเชิเช้ตสีขาวกางเกงสีดําถึงเขา่านั่งอยู่กําแพงวัดแต่ขณะนั้นลูกดึงจิตกลับมาดูลมจนออกจากสมาธิแวบไปเห็นอีกลูกจึงแผ่เมตตาแบบนี้ทําได้ไหมครับแผลก็ได้ไม่แผลก็ได้นะแต่เราถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นตายรับไปใบก็ไม่ต้องแผ่มันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ก็ทํานั่นเองไม่ใช่ ถ้าใช้ปัญญาใช้ใจรักก็ไม่ต้องไปกวนน้ใ า, นาให้เสียเวลาด้วยแผ่เมตตาให้เสียเวลาเพราะเราไม่รู้มันเป็นอะไรอยู่ที่นี้ก็จะแผเ่เมตตาอยู่เรื่อยพอเห็นอะไรเข้ามาก็จะแผเ่เมตตากวนน้าอยู่เรื่อยตั้งที้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร <c oughs> ผู้ที่เห็นดวงวิญญาณได้บางทีก็คุยกันอย่างคุณแม่ชีกแก้วเนี่ยเวลาแกนั่งสมาธิจิตสงบบางทีก็มีดวงวิญญาณของหมูป่าเยหมูป่ามาพบมาเล่าว่าตอนเอง ถูกพรานค่าตายถูกยิงตายเดี๋ยวพรุ่ินเช้าพรานจะเอาเนื้อหมูป่านนี้มาถวายให้กับแม่ชีที่ที่สำนักขอให้แม่ชีรับเป็นทานของของเขาด้วยเขาจะได้เขาจะได้บุญจากการเสียสละเนื้อดังบังสาวเขาให้กับแม่ชีไปอันนี้เป็นของจริงคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องมาม า, ม า, มาผ่านเมตตามาอะไรไม่ต้องมาเพราะเขาก็มาแจ้ง กิดประสงค์ว่าแล้วเขาต้องการที่อยากทำทานด้วยการบริจาคเนื้อของเขาที่ถูกพานยิงตายไปนี่ไม่ีกรับอนุโมทนาสาธุไปเท่านั้นเองก็จบคุณนนทวันครับการนั่งสมาธิแผ่บุญควรระลึกอย่างไรครับแผ่ไม่ได้บุญที่เกิดจากนั่งสมาธิมันยังไม่เกิดเลยจิตเรายังไม่รวมเป็นอัปนาสมาธิยาวอะไรไปไม่แผ่ ไม่มีบุญการด้านสมาธิยังเป็นการสร้างบ้านอยู่บ้านยังไม่เสร็จอยาเชิญให้คนมาอยู่บ้านเรายังไม่ได้เพราะบ้านยังมันทําไม่เสร็จกําลังสร้างอยู่ถ้าสร้างถ้าเจิดรวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเนี่อันนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วนี่ก็ไปเชิญแขกที่ต้องการไม่มาพักอาศัยให้เขาเข้ามาร่วมอยู่กับเราได้ คุณประชาครับการเสียสละเพื่อคนอื่นหวังให้คนอื่นมีความสุขโดยเราต้องเสียคุณธรรมความดีกระทําความชั่วเป็นการทําที่ไม่คุ้มค่าและโง่เขลาใช่ไหมครับจะมีเงื่อนไขอื่นใดที่สมควรทําหรือไม่ครับไม่ควรกระทำแบบเลยโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะทําเพื่อคนอื่นหรือเพื่อตัวเราเองก็ไม่ควรทําเพราะด้านใน่คุ้มเสียอาจจะรักษาร่างกายให้อยู่สุขสบายแต่เราสนใจปล า, ายไบ คุณลิกิตฟ้าครับหมาแมวที่เราเลี้ยงเวลาเขาตายไปเขาได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไหมครับเราทําบุญอุทิศให้เขาได้รับไหมครับก็มีส่วนเพราะว่าตอนที่เราเลี้ยงเขาก็จะได้ไม่ต้องทําบาปเขาไม่สร้างบาปใหม่แล้วบาปเก่าก็อาจจะหมดจากภพนิชานนี้ของเขาไปก็ได้ถ้าหมดเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีต่อไปคราวหน้า ก็อยู่ที่บาปของเขาที่ทํำว่ายังหมดหรื ย, ยังไม่หมดถ้ายังไม่หมดอาจจะกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อยก็ได้คุณสุทาทิพย์ครับบุญกริยาวัตถุสิบมีข้อบุญที่ได้รับจากการอนุโมทนาเราจะไม่ได้รับบุญได้ใช่ไหมครับจากที่หลวงพ่อตอบมาสักครู่ครับคือมันต้องเป็นบุญจริงอ่ะคือเราเห็นค น, น่นเขาทําบุญแล้วเราอนุโมทนา อนุมโมทนาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับการแสดงความชื่นชมยินดีก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือการไป ส, งส่งเสริมมาช่วยให้การทําบุญของเขาสําเร็จลุล่วงไปได้ดีเช่นเขาทําบุญขัดบ้านแล้วเขา้องการขอใช้ที่จอดรถที่บ้านเราเรามีที่จอดรถก็ออนุญาแนละ้วก็มาใช้ที่จอดรถของเราได้อันนี้เขาเรียกว่าอนุมโมทนาบุญนี่ก็จะได้บุญ ไม่ใช่อันุบาลอานุนมโมทนาแต่ปากเปล่ามันก็จะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่มันต้องมีการกระทําที่ทําให้ทําให้ผู้ทําบุญนด้ได้ได้สําเร็จประโยชน์เออเออเอ อ, เ อ, อความสะดวกด้วยในกรณีที่บางทีที่เคยมีข่าวว่าคนพนัก ง, งานโรงแรมมันขอลาไปงานศพไปทําบุญงานศพให้กับพ่อแม่โรงแรมก็ไม่ยามปล่อยให้ไปเพราะเสียงานเขาถ้าอยากไปก็ต้องลาออก อย่างนี้ยแสดงว่าไม่อานุโมทนาบุญบแต่ถ้าถ้าโรงแรมเป็นคนใจใจบุญก็ยินดีปล่อยให้เขาไปกี่วันก็ปล่อยให้ไปหีืไม่ไมีแถมไม่ไม่หักเงินเดือนด้วยถือว่าร่วมบุญกับเขาไปอย่างเี้ยถึงจะเรียกว่าอนุโมทนาบุญจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พูดปากเปล่าคนทําบุญมาก็บอกทําบุญมาฝากแล้วมันก็บอ ก, บาา ก, ก, บ อ, กอนุโมทนามันก็ได้แต่ปากเปล่าได้แต่บุญที่เกิดจากการพูดเท่านั้นเองไม่ใช่เกิดจากการกระทํา จิตมันไวเมื <c> ่อ <oughs> มีอะไรมากระทบจะหงุดหงิดกับคนง่ายเรื่องคําพูดจะต้องแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องมีสฝึกให้มันช้างลงอยคอยควมให้คอยคุมกับปฏิกิริยาของจิตให้มันช้าลงถ้ามีสติมันจะมีการมีมมีมีความเย็นแล้วมันการจะปฏิกิริยากับอะไรมันจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะมีสติคอยควบคุมไว้ง่ายๆ <c oughs> คุณลีครับ วันนี้ไปปล่อยปลาถ้าปล่อยไปแล้วอาจมีบางตัวรอดหรือบางตัวอาจจะไม่รอดเราบาปไหมครับไม่บาปมันเป็นกรรมของเขาเป็นบุญเป็นกรรมของเขาแล้วอาจจะเป็นความไม่ฉลายของเราก็ได้ก็หาไปไปปล่อยที่ที่มันปลอดภัยอย่าไปปล่อยที่มันมีมีปลาที่จะมารอดกัดกินอยู่แล้วหรือบางคนก็ไปปล่อยที่มีชาวมีคนมาตกปลาไปปล่อยทางนั้นเดี๋ยวมันก็ถูกต้อก็จับไปเอง ก็บางทีก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเวลาจะไปปล่อยปลาไปปล่อยนี่เนีน่ยแล้วมันปลอดภัยคุณนกครับบอกว่าไปวัดเอาปัจจัยใส่เครื่องสังกฐานทําสังกฐานที่แบบหมุนเวียนนะครับไม่ได้เตรียมชุดสังกฐานไปเองอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้นะสังกฐานหมุนเวียนก็เป็นอุบายของวัดเพบาะวัดบางทีก็ต้องการเอาเงินทองไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆสั ง, งกทานก็มีอยู่เยอะใช้ไม่หมด ใช่ไม่ได้ก็เอาสัรปทานที่เหลือเหลือใช้นี่มาเอามาเวียนสําหรับญาติโยมที่บางที่มาวันาจะทําถอยสักการแต่ไม่ได้เตรียมของมาก็เอาของสัรปทานที่วัดเตรียมไว้โดยเอาเงินให้กับวัดไปไวัดเขจะได้เอาเงินนี้ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟและค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างคุณปู่คุณปู่ครับเมื่อวานกลับบ้านพบว่าแมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านตายไปเพราะโดนหมาที่เลี้ยงไว้เข้ามากัด สาเหตุเพราะตอนเช้าปิดประตูบ้านไม่สนิทรู้สึกเสียใจมากร้องไห้ตลอดโทษตัวเองที่ไม่มีสติรีบออกไปทำงานเพราะมีงานใหญ่ภาพที่กลับมาแล้วเปิดประตูไปเห็นแมวนอนตายอยู่มันผุดขึ้นมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เราจะบาปไหมจากความประมาทควรใช้ธรรมะข้อไหนในการทำใจครับออไม่บาปหรอกถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะทาให้เขาตายงั้นเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้เรื่องบาปไม่เกิดขึ้น เป็นในเรื่องของการไม่มีสติที่เราอาจจะต้องทําอะไรต้องรอบคอบหน่อยนะคิดก็ให้รอบคอบก่อนการบุบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้สำเร็จดังคำวธิธีฐานทําอย่างไรครับไม่มีหรอกในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้บุบานให้สอนให้ทําเลยอยากจะได้แล้วก็ทําสร้างเหตุที่จะทําทให้เกิดกสิ่งที่เราต้องการอยากได้เงนก็ไปทํามาหากิน เดี๋ยวก็ได้เงินม า, มาได้มากได้น้อก็ขึ้นอยู่กับความสามารถบางคนทำไปแล้วทาไปแล้วถูกถูกตลาดขายดีขายดีมันก็ได้เงินมาเยอะบางคนไปขายแล้วไม่ถูกตลาดไม่ค่อยมีคนมาซื้อก็ ก, ก็ได้รายได้น้อยอันนี้แล้วแต่ความสามารถในการหากินในการทำงานของแต่ละคนคุณแพทย์ครับ <c oughs> โยมให้อาหารแมวจรจัดสองตัวช่วงหลังแมวร้องกวนกลางดึกทำให้นอนมไม่ได้เพลียตอนไปทำงานรู้สึกโกรธแต่พยายามคิดว่าเป็นธรรมชาติแต่เอาไม่อยู่เลยถือเป็นการทำบุญบูชาโกรธไม่ครับก็เราอย่าไปโกรธเขาเถิดมึงก็เป็นส่วนบุญความโกรธก็เป็นส่วนของความโกรธเราก็ต้องรู้จักให้อภยัยเรื่องมเขาเป็นเหมือนสภาวะธรรมอย่างที่อธิบายฟัง ฝนตกฟ้าร้องเราก็ไม่ไปโกรธใช่ไหมนอนไม่หลับพ่อฟ้าร้องเราก็ไม่โกรธแล้วทําไมเวดาแม่ร้นนองเราไปโกรธเขาไมคุณเล็กครับบอกว่าตอนที่ไปผ่าตัดสมองมาใข่ไขก็ว่าไม่ฟื้นแน่แต่ว่าตอนนั้นได้ยินเสียงแม่เรียกให้กลับมาแล้วกลับมาได้อย่างนี้จริงไหมครับแล้วก็กลับมาหรือเปล่า <c oughs> คุณคริสตินาครับ อยากถามว่าถ้าเราโกรธในตอนที่ฝันอย่างนี้เราบาปไหมครับเหมือนสติรู้ไม่ทันในฝันครับไม่บาปครัเวลาที่เกิดขึ้นในฝันแม้กระทั่งไปฆ่าใครเนี่ยมันก็ไม่บาปในฝันเพราะมันไม่ได้เป็นการกระทําเป็นเป็นไปนการความคิดปรุงแต่งของจิตเท่านั้นเองคุณสราวุธครับการขอพรจากพระให้หายจากการเจ็บป่วยทางร่างกายท่านจะโดนบันดาลให้ได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกแต่เป็นความเชื่อของคนแล้วถ้าพักให้พอแล้วมันก็จะทําให้เขาหายได้หายไม่หายอย่างนั้นเขาก็ทําให้เขาสบายใจไปเพิ่นหนึ่งนะอย่างตอนนี้เราบินตว่าญาโยมที่อายุม า, มากๆเราวอกโยมอยู่เพรานานานไะด้สุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ให้เกินร้อยพูดแค่นี้เขาก็ยินแนละ้วแล้วก็มีความสุขจนอยู่ได้ไม่ได้เขาก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ขอให้พัก พ, พูดให้ให้พอแล้วเขาก็มีความสบายใจขึ้นมทั้งเอง พระอาจารย์แผ่เมตตาให้อย่างนี้ใช่ไหมครับก <อ Eternal. S 2> ็ความหังดีความความบรารมีมีความสุขให้เขาอยู่มานงานงานแต่จะได้หรือไม่ได้ใน้มันกนเป็นเรื่องของบุญกรรมของเขามากกว่าไม่ได้อยู่ที่คนพูดหรอกถ้าเขไม่บุญเยอะก็บุญก็าจจะคุ้มครองรักษาเขาอยู่ต่อไปได้ได้นานขึ้นก็ได้คุณดาวครับฟังเพลงสวดมนต์แนวใหม่ที่ AI แต่งให้ผิดไหมครับ ก็มันถ้ามันเป็นการบันเทิงมันก็ไม่ควรเพราะการสนมันนี้เป็นการที่จะระ ง, งับความอยากในการที่จะไปเสพลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะใช้การสวนมนเพื่อมาระงับความอยากต่างๆไม่ใช่ไปส่งเสริมความอยากคุณพี่ครับมักมีความโกรธกับนักการเมืองที่เราคิดว่าทำเรื่องไม่เหมาะสมจะระงับความโกรธแบบนี้อย่างไรดีความโกรธในเรื่องทั่วไประงับได้ไวครับ ก็เพราะความอยากของเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอก็ไม่ ท, ทําตามอยากเราก็โกรธเขาเราก็ต้องมาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะทำอย่งไรก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องทําใจเป็นเรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธเขาคุณตังครับเราสวดมนต์รักษาศีลตลอดอนุโมทนาให้ลูกตลอดมีส่วนให้ลูกเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายไหมครับ ไม่มีโซนแล้วอยากให้เขมีโซนมันเป็นเด็กดีได้คือการสั่งสอนของเราทําตัวอย่างของเราสอนเขาแล้วก็ทําตัวอย่างเช่นสอนให้เขาไม่ดื่มโซดาแล้วเราก็อย่าไปดื่มโซดาทําเป็นตัวอย่างถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ดื่มโซดาตามเราก็ได้แต่ถ้าเราสอนก็อนอย่าไมปดืนะ่มโซดาแล้วแต่ตัวเราก็มาเดินอย่างนี้ยมันก็บางทีก็แบบแม่ปูสอนลูกปู แม่ผู้สอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ก็เดินเฉยไปเฉยมาแล้วลูกมันก็เอามันไม่ได้ฟังคําสอนมันก็ดูการกระทําช่มากกว่างั้นถ้าเราอยากจะสอนใครให้เป็นคนดีเราต้องทับตัวเราให้เป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ า, าเอาดีแล้วเขาจะทําตามเราเสมอไปบางทีเขามีมีความอยากจะทําความไม่ดีในใจเขามาก็เขาก็ไม่สามารถทําตามความดีที่เราทําเป็นตัวอย่างได้ก็มีงั้นก็อย่าไปเสียใจ เราคิดว่าเขามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันเป็นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกายกระทานั้นไปคุณสลาวุธครับถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ครบจะสามารถภาวนาได้ไหมครับได้ถ้าถ้าถ้าไม่เดือดรักาข้อเดียวก็สามารถไปภาวนาได้ เพราะตอนเวลาภาวนาจริงๆเราก็มีทั้งห้าข้ออยู่ดีใช่ไหมเวลานั่งภาวนาเราไปขโมยเงินหรือเปล่าเราไปฆ่าสัตว์จัดชีวิตหรือเปล่าเราไปประพูดผิดประเพลียหรือเปล่าเราไปพูดปวดหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเวลาที่เราภาวนาครับคุณหมีครับถ้าเราเป็นคนมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์แต่ได้ไปแต่งงานกับคนดีแต่วัฒนธรรมบ้านเขาต้องฆ่าสัตว์ใหญ่เราต้องทําอย่างไรครับ แล้วก็อย่าไปฆ่าตามเขาเรากันถ้าเราไม่ฆ่าเราก็ไม่บาปถ้าเขาฆ่าก็เป็นบาปของเขาไปคุณสมบัติครับผู้ป่วยที่หลับตลอดไม่รู้สึกตัวจนตายขนาดนั้นจิตยังอยู่กับร่างกายไหมครับอยู่ถ้าร่างกายยั ง, ย, งยังหายใจได้อยู่ยังไม่ตายจิตก็ยังไม่ได้ออกจากร่างกายไปถ้าร่างกายตายแล้วหยุดโน้มหายใจแล้วตอนนั้นหละจิตจะไม่อยู่กับร่างกายกต่อไป คุณตุกตาครับมีปัญหาชีวิตรุมเร้ามากเป็นนี่เยอะเหมือนถึงทางตันเครียดหงุดหงิดไม่สบายใจจัดการอย่างไรดีครับยอมนับกรรมพยายามลบมาลายพยายามมายึดอะไรก็ไปก็ยึดไปไปอยู่ไปบวชบัญชีบวชบวชไปอยู่วัดไปอาศัยวัดกินไปปฏิบัติธรรมไปไปทํางานที่วัดเพื่อเพื่อทดแทนที่อยู่อาศัยกับอาหารที่ทางวัดจะจัดให้กับเราก็ได้ ถ้าเรายามบวชได้มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องล้มละลายนี่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะคนบวชก็คือการเป็นผู้ล้มละลายทางด้านด้านเงินทาวิทนั่นเองคนที่จะไปบวชนี่ก็ต้องสลระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทาวไปบวชแล้วก็ไปอยู่แบบขอทานสิ้นเนื้อประดาตัวใช่ไหมครับพ่อ ร, า <laughs> ออร้านภาษาโบราณนี่ก็เรียกโฮมเลสเนี่ยโฮมเลส ผู้ไม่มีบ้านผู้ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นข้ารหชการผู้ของเงินนะก็ตรงกับอนาคาริกเลยนะครับสมัยก่อนใช่อนาคาริกผู้ไม่มีบ้านอยู่อาศัยไม่มีสถานะภาพทางการเงินการทําเป็นเหมือนขอทานคุณเปิ้ลครับเมื่อมีความหงุดหงิดโกรธเกิดขึ้นเราเป็นผู้รู้อยู่ต้องเข้ามาพิจารณาเหตุของความโกรธไหมครับถ้าโกรธมันก็ ถ้าเรารู้ความเพตของความโกรธได้ก็ดีเช่นเราอยากให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธแล้วก็เปลี่ยนใจแล้วไม่เอาก็ได้อยากจะให้เขาพูดดีกับเราพอเขาไม่พูดดีกับเราก็โอเคตอนนี้เขาจะพูดไม่ดีกับเราเราก็โอเคไม่ไปหวังให้เขาพูดดีกับเราเราก็จะหาโกรธได้คุณนกครับการที่เราคุยกับคนใกล้ชิดโดยพูดถึงคนที่เราไม่ชอบ สิ่งที่พูดคนคนนั้นจะรับรู้ไหมแล้วเราบาปไหมครับถ้าเขาไม่ได้ยินเขาจะไปรับรู้ได้ยังไงใช่ไหมก็เป็นเรื่องหนงที่ถ้าไปพูดแล้วเขามีก่อนเา ม, มีไมโครโฟนมาติดย้อนในบ้านนี้เขาอาจะรับรู้ได้แต้าเขาไม่มีไมโครโฟนเขาก็ไม่รู้หรอกเร า, าพูดเรื่องอะไรบ้างคุณอนุมาครับ ถ้าเราอยู่กับคนที่ทำให้โกรธไม่สบายใจเราควรอยู่ห่างจากคนเหล่านี้ใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไม่ผูกเวรต่อกันครับถ้าเรายังทำใจไม่ได้ก็คนจะอยู่ห่างกันแต่ถ้าเราทำใจได้ปล่อยวางเขาได้เขาจะทำอะไรแล้วเราไม่โกรธเขาล้วก็อยู่ใกล้เขาได้คุณธั ญ, ญพรครับการนิมนต์พระมาสวด ต, ต่อนามให้คนที่แย่เขาจะได้รับอะไรไหมครับ ไม่ได้เลยมันเป็นความเชื่อเฉยๆนั่นเองคุณเที่ยวไปเรื่อยครับเท่าที่ตามฟังพระอาจารย์ปฏิบัติแบบขึ้นทางด่วนตั้งแต่เป็นคารวดาแต่คนส่วนใหญ่ยังติดสมบัติครอบครัวกันงานสุดท้ายถ้าอยากสำเร็จเร็วก็ต้องมาขึ้นทางด่วนแบบพระอาจารย์ใช่หรือไม่ครับทุกคนนะ่ต้องไปบวชกันนะการได้บวชเนะี่ยเป็นการขึ้นทางด่วน คุณเหเมาราชครับถ้าเราฟังเสียงสวดมนต์ในวิทยุจะได้บุญเหมือนกับเราสวดเองไหมครับถ้าใจเราสง บ, บก็ได้บุญถ้ายังไม่สง บ, บก็ยังไม่ได้บุญคุณจังกิครับจะแก้ไขอุปนิสัยขี้เกียจที่เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติได้อย่างไรครับก็เอาความขยันเข้ามาแทนที่ทุกครั้งที่จะขี้เกียจก็ เ, เอาความขยันเข้ามา ขี้เกียจทำงานก็รีบรุกขึ้นมาทําเลยขี้เกียจอาบน้าก็รีบรุกขึ้นมาอาบน้าเลยใช้ความพยายามช่วความขี้เกียจครับคุณประชาครับพระที่มีวา ย, ยาวจากรเก็บดูแลเงินแทนเมื่อสึกไปหรือมรณภาพเงินที่ได้ขณะบวชนี้ควรเป็นของตนหรือของผู้สื่อสันด้านหรือของวัดครับอันนี้เขาถือว่ายังเป็นของพระอยู่ของคนที่พระรับอยู่ถึง แ, แม้ท่านจะสึกไปมันก็ยังเป็นเงินของท่านอยู่ แต่ท่านในกรณีที่ท่านตายไปเนี้ยทรัพย์ที่ท่านมีอยู่นี้จะตกเป็นของวัดไปถ้าท่านไม่ได้ทําพินัยกรรมไม่ลงหน้าก่อนถ้าทําพินัยกรรมมันก็เป็นไปตามพินัยกรรมได้อยู่อันนี้เรื่องของทางกฎหมายทั้งโลกนะก็มีกําหนดไว้ถ้าเป็นทารมแล้วก็คิดว่าเงินทั้งหมดที่ทเข้าม า, ากับการเป็นพระเนี่ยมันก็ควรจะเป็นของศาสนาควรจะอยู่ครับเพราะก็าําบุญเพื่อมาสนับส น, สนุนศาสนาเมื่อเราไม่ได้เป็น เป็นพระแล้วเราก็ไม่ควรที่ยาเกันนั้นไปใช้แล้วคนยามเงินนั้นไปทำเหม น, นให้กับกับศาสนาไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับขอความเมตตกับเรียนถามผู้ที่บรรลุธรรมขั้นโสดาบันแล้วคือผู้ที่สามารถละราคะโทสะโมหะและละสังโยชน์สามข้อแรกในสิบข้อใช่ไหมครับละฆาโทสะยังละไม่ได้เนปะ็น แ, แต่ละ และสังโยชน์คือการเห็นผิดว่าร่างกายและความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเราของเราความเป็ น, นจริงมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เราก็เลยปล่อยวางมันมันจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปไม่ไปทุกขกับมันอันนี้ก็เป็นการละสังโยชน์เราก็จะไม่สงสัยในพระพุะทธธรรมประสงค์แล้วก็จะไม่ไม่ลุคขับในเรื่องของศีล เขาจะรู้ว่าศีลนี่เป็นสิ่งที่ปกป้องใจไม่ให้ไปตกต่ําไม่ไปเกิดในอบายคุณธรรมชาติครับขอธรรมะไว้นึกเตือนตนให้มีความเพียรในการปฏิบัติกายและใจนี้ด้วยครับพระเจ้าสอนให้เราเราถึงความแก่ความเจ็บความตายถึงการพัดพลาดจากกันให้เราพิจารณาว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากการเป็นธรรมดา ลงพ้นจากการลงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วมันจะทําให้เรามีความเพลินเราจะได้ไม่ประมาทเพราะรู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปบนวีไซด์ครับขอพระอาจารย์อธิบายทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาที่ใจเรามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่วาจะเป็นทรัพสมบัติเครืของเงินทองบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือแม้แต่ร่างกายของเราเองก็อย่าไปยึดมั่นถึงว่าเป็นตัวเราของเราเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดก็ไม่ได้ ว, นนวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องมีการจากเราไป คุณปลายครับลูกส่วนมนุ์แผ่เมตตาตลอดแต่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมในเวรมาทวงหรือเปล่าครับเอาการแผ่เมตตาไม่ได้เป็นการห้ามไม่เจ็บไายได้ป่วยแม้แต่พระพุทธเจ้าพาระสารทก็ยังต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้านมีเมตตาอย่างมากมายมันไม่เกี่ยวกันความเจ็บไขยได้ป่วยมันเรื่องของกฎอนิจจ์ที่มากับร่างกายร่างกายจะต้องเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้อพ้นจากมันไปไม่ได้ คุณเสรีครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าจิตสงบแล้วตอนตามลมหายใจเพราะสังเกตว่าจะเห็นจิตคิดแล้วก็ไปบริกรรมพุทโธตามที่พระอาจารย์แนะนําแล้วครับออจิตจะไม่คิดจิตจะนิ่งจิตจะสัะ่งแตู่่าเรีถยงจะเริ่มันสงบแล้วจิตจะเบาจิตจะสบายมีความสุขมันรู้ของนี้มนันเหมือนหน้าเพลินหน้ามันเป็นหลังลมือไปเป็นคนละเรื่องไปเลยจากจิตที่ยังฟุ้งเหย่อคิดนู่นคิดนี่อยู่ พอมันสงบมันอะไทุกอย่างเงียบหมด น, นิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขที่มาจัดจานใจอย่างยิ่งคุณพร น, นันบอกว่าเคยเชื่อมั่นในความดีแต่โควิดมาทำให้ชีวิตเป็นศูนย์มีหนี้บัตรเครดิตทุกวันนี้ไม่เชื่ออะไรแล้วแม้แต่ความดีเลยครับก็มันเกี่ยวกันที่ไหนแต่ความดีมันก็เรื่องของความดีเรื่องของโควิดมันก็เรื่องของโควิด เราไม่เข้าใจความจริงว่าความดีนี่มันนำมาห้ามนี่แก่เจ็บตายได้ความดีนี่มห้าไม่ให้ใจเราทุกเลิกไปทาในสิ่งที่ไม่ดีได้เท่านั้นเองถ้าไม่เชื่อวความดีต่อไปเขาก็จะทําความเชื่อเท่านั้นเองเมื่อทาความเชื่อมันก็จะทําส่งวิญญาณของให้คุณไปตกไปเกิดในอบายแต่ถ้าคุณเชื่อในความดีไม่ไม่ทําความเชื่อทําแต่ความดีมันก็จะส่งคุณไปสู่สวรรค์เวลาที่ร่างกายนี้ตาย คุณปิ่นเขียวครับกลับไปอยู่กับพ่อแม่โหนสุดท้ายพี่และน้องมอบให้เราคอยดูแลพ่อแม่หลานและน้องที่ไม่รับผิดชอบตัวเองต้องคอยซัพพอร์ตดูแลจนบางทีกำลังทรัพย์ไม่พอใช้แต่ลูกคิดว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นอย่างนี้ลูกทำถูกไหมครับถ้าทำาน้ก็ทำไปเถิดการเป็นการทำบุญทําทานการเสียสละแบ่งปันการให้ความสุขกับผู้นีว่าเป็นการทาบุญทาได้มากน้อยเท่าไรทไปเถอ ยกไว้มามันมันทำบางขีดที่เราไม่สามารถที่จะทําได้เราก็ต้องหยุดคุณชินถามว่าควรบวชตอนไหนดีครับตอนนี้เลยเนี่ยไปบวชตอนนี้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าคุณเอิงครับอยากถามวิธีการลดอคติทั้งสี่ครับแล้วรักชังกลัวลงนี่ก็ต้องใช้การนั่งสมาธิหนึง ฝึกสติหยุดความคิดทําจิตให้นิ่งสงบพอจิต น, นี่งสงบแล้วอัตติทั้งสี่ก็จะหยุดทํางานเป็นอุจิตก็เป็นอุเบคาอุเบขาก็คือการปราศ จ, จากความรักชงังโกรธแต่มันจะมันจะอยู่ในสภาพนั้นได้นานหลังจากออกสมาธิมามันก็จะท่านเริ่คิดปรุงแต่งเริ่มมีสัมผัสเริ่มรู้กับเรื่องราวต่างๆความรักชงังโกรธก็อาจจะกลับขึ้นมาได้ เราต้องการที่จะไม่ให้มันเกิดก็ต้องใช้ปัญญาต่อไปพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายรักแล้วเราก็จะไม่เราก็จะละความละชั่งกลัวลงได้คุณนกครับพระสงฆ์บางรูปนั่งรอรับบาตรไม่เดินรับบาตรถ้าเราตักบาตรกับพระลักษณะนี้คือนั่งปักหลักดิวเลยจะได้บุญไหมครับถ้ามันเป็นวิธีที่ท่านจะได้อาหารก็ไม่บาปหรอกเพราะบางทีสมัยนี้คนไม่คนไม่อยู่บ้านกันอนะ คนอยู่บ้านกันอย่างนี้ก็ไม่ได้ทําแบบข้าวใส่บาตรเร า, า, าใส่บาตกันคนส่วนใหญ่ก็จะมาใส่บาตที่ตลาดนั่นนะที่เพราะเราเคยไปบิณฑบาต ท, ที่กรุงเทพบานทีเดินไปเรื่อยๆมันไม่มีบ้านที่เขาจะเปิดมาใส่บาตให้แต่พอไปเดินแถวตลาดนี่โอ้โหมีคนมีคนมีร้านขายของคนเข้ามาซื้อของจากร้านขายของแล้วก็ใส่บาตรตรงนั้นกันมันก็จะเป็นเหตุให้พระนี่ไม่ไม่ได้ไปเดินไปไรเพราะเดินไปไม่ได้อาหารอย่าทำไปเลยถ้านไปบิณฑบาตเพื่อเพื่อหาอาหาร มันเดินไปแล้วมันไม่มีอาหารให้แต่ที่ไม่เดินมันมีอาหารมันจะให้ทำยังไงก็ต้องไม่เดินก็ต้องไปยืนรอนจังการเขาจะใส่บาตรพอเราพอแล้วเราก็กลับวัดไปเท่านั้นเองก็ไม่บาปตรงไหนยังไงยกเว้นว่าถ้าอยืนตรงนั้นแล้วก็ถ่ายบาตรให้แม่ค้าไปอย่างเงี้ยแล้วไล่เป็นกันมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ควรซึ่งก็มีบางบางแห่งบางรูปที่ได้ข่าวมาว่าแม่ค้ากับพระก็มีเป็นเหมือนกับเป็ น, ป น, ป น, ปนจอยเวนเจอร์กัน <laughs> ทำด้วยิจร่วมกัน ก็ยืนรับบาทของที่โยมมอขายของใส่บาทแล้วพอพระได้ขอมาก็ส่งไปให้ร้านค้าร้านค้าก็ให้ปัจจัยกลับมาถ้าอย่างนี้ก็เป็นคนทําแต่ถ้าต้องยืนรอเพื่อให้ญาติโยมใส่บาทพอได้อาหารพอเพลงต่อการต้องการแล้วก็กลับวัดไป น, นี้ก็ไม่ น, าน่าจะเสียหายทําไมเพราะสมัยนี้มันท่านในเมืองนี้คนก็ไม่อยู่บ้านกัน่ะตอนเช้าก็ออกจากบ้านกันถ้าเขาอยากจะทําบุญก็มักจะไปทําบุญที่ตลาดกัน เพราฉะนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้าเตรียมอาหารชุดไว้ใส่บาทอยู่แล้วคุณสลาวุธครับใจที่ชอบกลัวผีนี้เกิดจากอะไรครับและจะวิธีแก้ไข ย, ยังไงครับออมันก็เป็นนิสัยของใจที่มีความกลัวครอบงำอยู่นักโวกรตายมากก็เลยเกิดความกลัวมาก คุณโอเวอร์คิวครับเวลากําลังจะตายเวทนาแรงกล้าหงุดหงิดฟุ้งซ่านทรมานไม่มีกําลังใจต้องทําอย่างไรครับก็ต้องฝึกก่อนตายต้องตอนนี้เรายังไม่ตายเราฝึกนั่งให้เจ็บเราพยายามใช้สติใช้ปรรัญญาระงรับความความเครียดความฟุ้งซ่านต่างๆถ้าเราฝึกซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาเจอของจริงเราก็จะได้ตายอย่างสางบได้คุณเทียนชัยครับปล่อยวางมากๆจากควบคุมลูกน้องอย่างไรครับ อ๋อไม่ได้หมายก็ให้ปล่อยแบบนั้นหน้าที่การงานเราไม่ปล่อยหรอกเรามีหน้าที่การงานแล้วเราทำแล้วก็ทําไปอันที่ให้ปล่อยก็คืออารมณ์ที่เราไปผูกติดกับสิ่งต่างๆอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องปล่อยเพราะว่ามันบางทีเราทําให้มันเป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้แต่ถ้ายัางทําตามความอยากได้ก็ทําไปแต่เขาพอตั้งคิดว่ามันไม่สามารถตอบสนองความอยากเราได้เราก็ต้องปล่อยอย่าไปทุกข์กับมัน <c oughs> คุณปลายครับสวดมนต์เวลาขับรถและทํางานแต่ไม่ได้สวดหน้าหิ้งพระได้บุญไหมครับไม่ควรสวดหรอกพ่าขณะทํางานก็ควรจะมีสติอยู่ ง, งานที่เราทำเวลาขับรถก็ควรมีสติอยู่การขับรถจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าเราสวดมนต์แล้วเราก็จะไม่อยู่กับงานอยู่กับรถการขับรถตลอดเวลาเพราะเราจะแบ่งมากับการสวดมนต์ เดี๋ยวก็เกิดเอุบัติเหตุเกิดเหตุก า, ารณทันหันก็อาจจะแก้ไขไม่ทันยังไม่ควรที่จะไปทําองอย่างควเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีสติกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าอยากจะสวดมนต์ก็มานั่งเฉยๆก่อนไม่ทําอะไรแล้วก็มานั่งสวดคุณสุทารัตน์ครับหลายวันนี้ลูกเครียดหลายเรื่องคิดหลายเรื่องแต่พอได้ฟังพระอาจารย์จิตเริ่มดีขึ้นมากมีสติเพิ่มขึ้นขอพระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ มีหลายคนที่คอมเมนต์ลักษณะนี้นะครับอาจารย์ครับใช่ธรรมะเี่ยธรรมะโอสถยารักษาความเครียดก็คือธรรมะคือการมีปัญญามองเห็นว่าทุกอย่างมันสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถตอบสนองตามความอยากของได้เสมอไปเราต้องยอมรับความจริงถ้ามีสภาวะซึมเศร้าจะแก้อย่างไรครับ ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะบรรเทาลงไปหรือหายไปได้เพราะการซึมเศร้ามันเกิดจากความคิดปรุงแต่งอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เศร้าใจพอพอไม่ได้บ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นการซึมเศร้าไปคุณจอยครับการนั่งสมาธิแม้นั่งไม่นานก็ ร, รู้สึกยาวนานมากจึงใช้วิธีตั้งนาฬิกาเพื่อให้ไม่ลืงตาขึ้นมาเร็วเกินไป จึงตั้งนาฬิกาตามความตั้งใจที่จะนั่งเช่น30สนาทีแบบนี้ขัดกับหลักการที่พระอาจารย์แนะนำว่าไม่ควรตั้งนาฬิกาไหมครับถ้ า, ามีความจะเป็นจะต้องไปทำกิจอะไรบางอย่างเราก็อาจจะต้องตั้งนาฬิกาแต่ถ้าเราไม่มีความจาเป็นจะต้องไปทำกิจก็วควรจะนั่งแบบไม่มีนาฬิกาจะดีกว่าคือถ้านี้ตั้งนาฬิกาให้ตั้งสติแทนแล้วเราก็า จ, จะทาใจให้สงบได้ เวลาใจสงบมันก็จะไม่อยากจะลุกมันก็จะสงบไปนานเพราะมันมีความสุขยังถ้าจะนั่งจริงๆไม่ควรที่จะไปตั้งเวลาแต่ถ้ามีธุระต้องไปทำก็อา จ, จําเป็นจะต้องตั้งเวลาถ้าไม่มีธุระสามารถนั่งไปได้ยาวเป็นชั่วโมงก็ไม่ต้องไปตั้งเวลาพยายามตั้งสติให้มีสติอเรื่อยแล้วจะนั่งได้ผลดีแล้วจะสงบได้งานมีความสุขดได้งาน คุณบัญญาครับถ้าวางแผนการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังไม่ถึงโสดาบันควรเกิดภพภูมิไหนดีที่สุดเพื่อจะสำเร็จนิพพานครับเราไปกาหนดไม่ได้หรอกภพภูมิเวลาเราตายไปมันขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราทำไว้เรากาหนดแบบคร่าวๆได้ว่าเราไม่อยากไปอบายด้วยการได้กระทาบาปส่วนไปสวรรค์นี่เข อ, อยู่ที่ว่าเราทำบุญมากน้อยเพียงไรสวรรค์ก็มีหลายชั้นด้วยกัน ถ้าเราจะไปสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องฝึกการนั่งสมาธิเข้าชาญให้ได้เราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องปฏิบัติปัญญาเห็นอริยจสัตว์สี่เห็นายรักแล้วเราก็จะละกิเลส ต, ตนหาที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็จะไปนิพพานได้คุณวนิดาครับการใส่บาททุกวันย่อมดีกว่ารอทําทุกวันพระ วันสำคัญใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันสำคัญกว่าอนาคตก็เหมือนกับการกินข้าวกินเมื่อวันดีกว่าแล้วกินชาววันพระดีกว่ากันกินทุกวันการใส่บาตรทำบุญก็เป็นการให้อาหารกับใจเรานี่ยเองทำอย่างไรถึงจะพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรข้างตัวเราครับอย่ามมาเกิดเนี่ยเมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรต่อไปถ้าตาดไปยังมีการมาเกิดอยู่ก็ยังจะมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่นะั่น ยังว่าเราไม่ได้ทําบาปอีกต่อไปเท่านถึงยังไม่มีเจ้ากรรมนายเวรตามมาเนื้อแต่พระพุทธเจ้ายังมีเจ้ากรรมนายเวรก็เทวทันต์เองครับคุณวริพรครับหนูหมดปัญญาพยายามดึงหน้าที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กให้เขายินดีในธรรมในบุญตนะอ่อนตนะไม่เลยมักโกรธคิดลบด่าตลอดเวลาถ้าหนูปล่อยวางแล้วแต่บุญกรรมที่ทํามาอยากตอบแทน คุณแบบที่พระพุทธเจ้าสอนแต่หนูทำไม่ได้หนูจะเป็นบาปไหมแต่ดูแลท่านอย่างอื่นไม่เคยขาดครับก็ดูแนละทำในสิ่งที่เราทำได้บางอย่างมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยทำไม่ได้ก็อย่าเป็นกังวลคุณจอยครับอปปนาสมาธิกับอุปจารสมาธิสิ่งไหนเกิดขึ้นก่อนและสองสิ่งนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับเม น, นั่งสมาธิเราจะเข้า ป, ปัญาสมาธิก่อน จิตจะนิ่งสงบแล้วถ้าคนที่มีนิสัยที่จะไปทางอุปจาระสมาธิเขาจะออกไปเพื่อที่จะไปไปท่องเที่ยวในโลกทิตย์ไ ง, ไง่าๆไปสวรรค์ไปนิพพุไปสวรรค์ไปนรกไปพบ ก, กับดวงวินญาณชนิด ต, ะตะ่างๆอันนี้คืออุปจาระสมาธิแต่ก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนที่ปฏิบัติคนส่วนให ญ, ญ่จะอยู่แค่ อ, อ, อปนาสมาธิจะไม่เข้าไปสู่อุปจาระสมาธิ คนที่จะไปปฏิญาณสมาธินนเป็คนที่มีวาสนาเดิมอยู่มีการมีเคยฝึกม่เคยเข้าแบบนี้มาก่อนถึงจะเข้าไปได้คุณพุทธโธครับบอกว่ามีแม่ที่แก่ชราถ้าเราหนีไปบวชสมควรหรือไม่ครับยังมีพี่น้องดูแลแต่เราไม่มั่นใจควรทำอย่างไรดีครับถ้าไม่เป็นการทอดทิ้งท่านยังมีคนดูแลอยู่ก็ไปบวชได้ พระพุทธเจ้าก็ไปเพราะท่านรู้ว่าก็มีคนดูแลพ่อมีคนดูแลลูกมีคนดูแลภรรยาอยู่ก็เลยไม่มีความจำเป็นไม่ไม่เป็นการกระทําที่เสียหายตรงไหนคุณปุ้ยครับเมื่อวันก่อนที่เขามีเจริญสติพุทธโธเมนาโถธโมสังโฆเมนาโถปุ้ยก็ร่วมกับเขาจริงๆแล้วก็คือเหมือนการอยู่กับพุธโธ ท, ที่ทําอยู่เป็นปกติต่างกันแก้คําบริกรรมใช่ไหมครับถูกต้อง น, นก็ไปฆ่าเป็นคำบริกรรมนั่นเองจะพุโทโธนาโถจะอะไรก็ได้ทำโมสังโคก็ได้อันนี้ก็เป็นการบริกรรมหรือการสวดเพื่อที่จะย้ำยั้งความคิดต่างๆนั่นเองคุณออฟครับจิตที่ระลึกชาติได้เกิดจากสาเหตุอะไรครับก็ความสามารถพิเศษผมอาจจะเป็นเพราะมีความจําดีก็ได้ คุณเที่ยวไปเรื่อยครับการลากความอยากคือการรวบยอดคําสอนทั้งหมดไว้ว่าประเด็นทั้งหมดเกิดจากความอยากของกิเลสใช่ไหมครับอาจารย์คือทุกทั้งหมดเกิดจากความอยากถ้าเราละความอยากได้ทุกทั้งหมดก็จะหายไปจากใจของเราคุณนกครับถ้าบวชพระอย่างน้อยควรบวชกี่วันดีถึงจะถือว่าปฏิบัติธรรมและได้ผลครับถ้าบวชจนก่อนจะบรรโน แ้วบรรลุแล้วก็จะไม่เสื่อมดี <c oughs> คนที่บรรลุทำสัญญาถ้ายังไม่ได้บวชก็จะขอบวชกันะ <S <S <S เพราะว่าอยู่กับคนที่ไม่คนที่อยู่ทางบ้านคนที่ยังเป็นฆราวาสอยู่ด้วยกันไม่ได้แนละ้วเพราะเป็นคนละโลกกันแนะ่ะคนที่ไม่มีกิเลสไปอยู่กับคนที่มีกิเลสไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ คุณพิติมาครับที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องหมูป่าคนที่เอาหมูป่ามาถวายอย่างนั้นได้บุญไหมครับแต่เขาบาปเพราะฆ่าหมูป่าเขาก็ได้ทั้งบุญทั้งบ า, า, าปาแล้ก็ไปฆ่าแล้วเขาก็ได้บุญจากการที่เขาเอาอเอาเนื้อหมูป่ามาแบ่งถวายให้กับแม่ชีคุณรุ่งนาภาครับหนูไม่ได้อยู่กับดูแลพ่อแม่แต่เวลาสดมนภาวนาะให้แม่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้ถือว่าทําดีแล้วหรื อ, อยังครับ ทำไม่ได้หรอกการสวดมนต์ภาวนา น, น, นี้เป็นผลที่เราได้รับเพียงคนเดียวแม่จะอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของการกระทำของแม่เองคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับนอนสวดมนต์ได้ไหมครับรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้หลับครับก็ไม่มีข้อห้า ม, ชมเช่นบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถนอนแล้วก็สวดมนต์เพื่อทําใจให้สงบแม่ทุกกับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ าถ้าส่วนแล้วไม่หลับก็ใช้ได้ส่วนแั้วใจสงบก็โอเคโ อ, อกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำด้วยกันในเฟส836ในในยู603นะครับในคลับ6ในทิกตอก433รวมกัน 1,878 คนนะครับอาจารย์ครับวันนี้าจาํามา้ 2,000 นะนนะติกตอกอายไปประมาณ200 เาอคงจะหยุดสามวันมั้งอะไรเ ม, ม, มื่อครั้งเเวลาเข้าติดต่อ ก, กันไปทํากินอย่างอางื่นกันก็ไม่เป็นไรก็ต้องมีการไปมาบ้างเป็นธรรมนานี้ขึ้นไม่ลงเป็นธรรมนาก็ยินมีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมในคืนนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นําไปพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุ ข, ข, ข, ส ม, ขมากขึ้นการแสดงธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสบความเจริญในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่า น, นี้ถ้ามีเห็นอะไรขัดข้องก็คงจะแล้พบก็นอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกับขอบคุณอาจารย์คับ